มาเร็วนะ่ไหมตั้งนากาใ้มันเร็วกว่าน่อยเรารู้จักคนหนึ่งเขาตั้งนาฬิกาไว้เร็วประมาณครึ่งชั่วโมงเขาไปไหนก็มไม่ค่อยผ่านเขากลัวจะไปสายเขาเลยละอกตั้กาเิกครึ่งชั่วโมงก่อนก่อนเวลา ไปไหนไปก่อนเขาเลยไปถึงก่อนเขาเลยไปงานไหนไปถึงยังไม่มีแขก ง, ง่ายนิดเดียวพวกเชือ่อพวกที่ชอบมาสายนั้งในกายมันแล้วขึ้น้ักครึ่งชั่วโมงใช่ไหมถ้าตั้งไว้ครึ่งชั่วโมงก่อนเลย ทำชาทําไม่คยได้อาจารย์วันนี้มีอะไรก็เวลาเวลาปฏิบัติบางทีก็บางทีมันก็ปฏิบัติได้ดีบางทีมันก็ปฏิบัติไม่ดีอย่างเงี้ยอาจารย์มันอยู่ที่สติแล้วแล้วก็อยู่ที่เหตุการณ์ในวันแต่ละวันที่เราต้องไปสัมผัสรับรู้ ถ้า ม, ม, มีเหมือนกันะครับให้มีเหตุการณ์ให้เราคิดมากมันก็ปฏิบัติยากมันเหมือนรดวิ่งเร็วขึ้นจิตหมุนเร็วขึ้นพอจะมาหยุดมันก็ยากทีนี้คนทีนี้คือคนที่เรายังปฏิบัติด้ากนี่ไม่เข้มแข็งเต็มที่นี่ะครับมันก็ควรจะหมายความว่าคือผมสังเกตเท่าวันไหนเนี่ยฟังดูยูทูบที่ท่านสอนอ่านหนังสือธรรมะ อ่นเล่มนู้นเลนี้อะไเนี่ยวันนั้นจิตจะสงบมันก็จะทำได้ดีคล้ายๆบรรยากาศดีใช่แต่ถ้าวันไหนที่เราเราไม่ได้อ่าน่ะคือเราละเว้นไปสวันสองวันเนี่ยจิตมันก็จะไปเรื่องอื่นอทําไมมันเป็นอย่างนี้ครัมันไม่ทที่ยงอ่ะมันก็จิตเรามันชอบไปเรื่องอื่นมันไม่ชอบมาทางธรรมจิตเรามีอวิชชาเป็นตัวผักดันอวิชชาปฏิยาสังคาราสังคาราคือความคิดเปลี่ยนแปลงอวิชชาไปแับ ฝักดันให้เราไปหาเรื่องรูปเสียงเกี่ยงรถหาเหตุการณ์ต่างๆมันจ ะ, ะดึงต้องดึงกลับใช่ต้องดืึงกับด้วยการฟังเทสนี่ไงฟังเทกก็ดึงกลับนะพอฟังเทศแล้วก็จะได้ฟังธรรมธรรมก็จะเป็นตัวดันให้เราคิดไปในทางธรร ม, มก็จะคิดไปคิดหยุดคิดวา่างคือถ้าหยุดไปสองสมวันเนี่ยมันจะจระเลยใช่แต่พอมันกลับปุ๊บมันก็จะมา ทีนี้มันแล้ว เ, เราต้องเราก็ต้องพยายามดึงกลับมาให้มากที่สุดการฟังธรรมที่มีประโยชน์เนี่ยอย่างแนวนที่สมของการฟังธรรม่าจิตจะสงบผ่องใสถ้าไปดูทีวีมันพละเรื่องเลยใช่ไหมไปดูยิ่งไปติดตามบอลติดตามกีฬาหรือติดตามไปเลยเลือกนะตั้งเลยโอไฟกันใหญ่เลยไปไ ป, <า>ไปเลยเไปใหญ่นะ ทางโลกมันร้อนไยถ้าเราดูติดตามเรื่องราวทางโลกนี่มันจะร้อนเพราะมันมันเกี่ยวกับเรื่องกิเลสเรื่องความแข่งแย่งชิงดีกลาบยศเสนเสริญเรื่องของความรู้ความกดต่างๆแต่ถ้าเรามาฟังธรรมนี่มันจะเป็นเรื่องของความเย็น เ, ออเรื่องของความจรงิงความไม่เที่ยงพอเราฟังมันไม่เที่ยงแล้ว เ, เราก็ปล่อย มันช่วยปฏิบัติได้ดีขึ้นใช่ก<ต><อ>ารทำนั้นสำคัญไงเป็นมงคลอย่างห น, นึ่งมงคลสามหรือแปดในในการทำธรรมกับการทำชนารธรรมอยู่ยางนั้นด้วยที่ท่านอาจารย์บอกว่าเวลาให้ฝึกนั่งสมาธิเนี่ยเพื่อให้จิตมันมีกาําลังอแต่ไอ้คําว่ามีกําลังกำลงั<อ>งหยุดไงกําลังหยุ ด, ย ด, ยดมีเบรกเบรกกิเลสได้ กำลังขอเราไม่ได้ไม่ใช่กําลังถักดันแต่กาลังหยุดเช่นเห็นได้ปุ๊เนี่ยหยุดพอเรานั่งสมาธิเราก็เอาไอ้สมาธิที่มันเคยจิตมันค่อยๆมันมีความว่างคือมันเรียนรู้กับความว่างก็จะรู้สึกว่าเอาไอ้ดึงใอ้ความว่างเนี่ยมาเบรกไอ้ตัวลอได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเราไม่นั่งเลยเนี่ยตัวตัวเบรกมันเบรกแตกไปเลยตัวเบรกก็คือเบรกขัง ในฌานสี่นี้ท่านบอกจิตจะได้อุเบกขาพร อ, อุเบกขาจิตก็จะเป็นกลางไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงพอเห็นอะไรก็เฉยเฉยไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงอันนั้นเกิดผลจากการสมาธิอะต้องจิตต้องลมเป็นเป็นอัปปนาสมาธิถึงจะได้อุเบกขา ถ้มีถึงขั้นนี้ก็ยังยังไม่ได้ไมีมตอกมีจารยังปิติสุขอะไรนี่แต่ยังไม่มีเบเการ์เราไ่อ่าคนคุณสมบัติของฌานทั้งสี่ขั้นแรกนั่นจะมีสี่สี่ประการฌานที่หนึ่งจะมีมีตอกมีจารณมีสุขมีปิติขั้นที่สองมตกวิจารณหายไปเหลือแต่ปิติเหลือแต่สุขขั้นที่สามก็เหลือแต่ สุขอย่างเดียวขั้นที่สี่สุกก็หายไปเหลือแต่อุเบกขาอันนี้อุเบกขาเนี่ยคือนิ่งเฉยใครด่าก็เฉยใครชมก็เฉยเท่ากันเจ็บไม่เจ็บไม่หลงไปกับคำสรรเสริญมุ่นินทาได้มายดยศมาก็เฉยถูกกดไปก็เฉย ได้เงินมาก็เฉยเสียเงินไปก็เฉยผมอยากทราบว่าเวลาท่านสอนเนี่ยนะครับเรื่องไตรักเนี่ยครับสําหรับคนที่สําหรับคนที่คือที่ปฏิบัติเนี่ยมันก็มีหลายขั้นแต่ผมอยากทราบว่าร้าที่ท่านปฏิบัติมาอย่างเสือดับสูงเนะี่ยเวลาท่านมองเห็นไตรักเนะี่ยท่านจะมองไม่เหมือนกับผู้ปฏิบัติ คือเวลาอ่านหนังสือเนี่ยผู้ปฏิบัติเริ่มต้นเราเข้าใจตายละแต่แต่่วาระดับการมองเนี่ยมันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับก็เหือเด็กกับผู้ใหญ่มองไม่เหมือนกันเด็กมองเห็นขนมก็อร่อยอยากกินผู้ใหญ่บอกินมากๆเดี๋ยวเบาหวานกินผู้ใหญ่มีความรู้มากขึ้นเด็กขาดความรู้ก็มองไปก็อยัางมุมกันถ้าปฏิบัติไปเห็นตายรักมากขึ้นมากคึ้ก็จะเห็นทุกข์มากขึ้นในสิ่งต่าง ใช่ไหมอย่างในคุณสมบัติของตายลักก็ทุกข์ใช่ไหมเห็นว่าทุกข์เห็นว่าไม่เที่ยง uh huh. เห็นว่าไม่ใช่เป็นของเรายิ่งเห็นมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งปล่อยมากขึ้นเท่านั้น mm hmm. เพอยึดติดแล้วมันยิ่งทุกข์มันระดับไม่เหมือนกันใช่ไหมครับไม่มือนมองกันเรืองแบบว่าก็ร<อ>ูม้มากขึ้นคัามมากขึ้นมันก็จะเห็นทุกข์มากขึน mm hmm. ้นเห็นทุกข์ ตอนนีเราเห็นทุกข์ในบางอย่างในบางอย่างไม่เห็นว่เป็นสุขอยู่เห็นไหมใช่ครับแต่ต่อไปถ้าเราพิจารณาหรือไอ้สิ่งที่มันทิฐะเคยให้ความสุขเรามันกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็จะร้องอ๋อเนี่ยเห็นไหมมันทุกข์แล้วนะเดี๋ยวแฟนจากไปเนี่ยทุกข์อหมแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นเพราะยังแฟนยังอยู่ยังให้ความสุขอีูแต่บางคนเฉลียสามรารถจินตนาการได้ว่า เวลาเห็นคนอื่นแฟนคนเดินเข้าเสียแล้วเขาเป็นยังไงเห็นเพื่อนเคอยน่าเรื่องสนสนานพอเสียแฟนไปนี่ซึมเศร้าไปเลยกลายเป็นคนอีกคนเลยเราก็สามารถเอาประสบปปการณ์ของคนอื่นมาสอนเราได้มันต้องศึกษาศึกษาในทางตายรักคือปัญญาปัญญาทางพุทธศาสนาเนี้ให้มองเพล่งให้มองสตายลักน ะ, ะตายักมันมีทุกขนทุกแห่งเทุกสิ่งทุกอย่าง แต่เราไม่มองกันไม่มองไม่เป็นกันมองเป็นตร ง, งกันข้ามกับตายรักมองเป็นสุขขังออัตตาฤทธจั ง, จงสุขขังอัตตาเห็นอะไรก็สุขอย่างตอนเนี้ปีใหม่เขาขายของตามร้านนี่เห็นโอ้แฮปปี้นะไปเดินห้างเลยของสวยๆมาล่อใจนะั่ล่อตาเห็นเสื้อผ้าเห็นกระเปา๋าเห็นของใช้อะไรอยากจะซื้อไปให้คนนั้นคนนี้เป็นของขวัญ กลาเช้าก็าจัดมาจะซื้อเห็นว่ามันสุกมาแต่เด็กกินเดี๋ยวเดียวมันก็หมดเนี่ยหมดว่ามันหายไปอะไรแล้วสุกสุกมันก็หายไปกับของที่เราได้มาแล้วก็ต้องไปหาใหม่ถ้าไม่มีก็ทุกข์พเพราะเด็กแล้วเหมือนติดยาเสพติดแต่คนที่ไม่มีมันก็ไม่เดือดร้องขอทานไม่ก็เดือดร้องอะไ มันก็เดือดร้อนิดๆหน่อยเงินที่มันเคยได้วันลกี่บาทก็แล้วแต่ถ้าวันไหนมันได้น้อยหน่อยมันก็ทุกข์เหมือนกันแต่มันทุกข์น้อยกับทุกคนละแบบอย่างไรอย่าพูดพูดทุกข์น้อยเลยทุกคนละแบบแต่มันทุกข์ทุกอย่างเพราะของทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันมีมีมีเจริญมีเสื่อมมีเกิดมีดับมีมามีไปให้คิดอย่างนี้เวลามาก็แฮปปี้กัน เวลาไปก็เสียใจกันมันไม่ใช่ของเราเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ให้อยู่กับเราเสมอไม่จากเราไม่เปลี่ยนแปลงเราบังคับมันไม่ได้แต่เวลามันจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนอาหารบางทีก็ลืมใส่ตู้เย็นไว้ทิ้งไว้ข้างนอกเดี๋ยวก็บูดจะสั่งให้มันอย่าบูดไม่ได้สั่งไม่ได้ถ้าเราใส่ตู้เย็นเดี๋ยอะเกิดไฟดับมันก็เสียได้ ตัวเย็นมันก็ไม่เที่ยงอยู่นะอะไรต่างๆที่เราใส่ว่ายว่าจะให้รักษาความสุขให้กับเรานี้มันไม่เที่ยงทั้งนั้นมันจะต้องมีอันเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเสมอพอมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ทําให้ใจเราเศร้าหมองขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ไปยินดียินร้ายกับสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่เศร้าหมองพระเจ้าสอนให้พระอยู่แบบหาเช้ากินเช้าเลยะ หามาเสร็จก็เกณฑ์เสร็จเร็จก็จบวั น, นี้ไม่มีอาหารไม่ต้องเก็บเข้าตู้เย็นไม่ต้องอะไรไมรุ่งนี้คอยหาใหม่หาไม่ได้ก็อดไปเพราะว่าตัวผ้าเนี้อาศัยทําอาศัยความสงบเป็นหลักถึงแม้ไม่ได้กินอาหารจิตใจก็ไม่อยู่ถ้ามีความสงบความมีวเพรร่งางกายนี้มันเป็นส่วนย่อย ความหิวทางใจนี้เป็นเป็นส่วนใหญ่ถ้าเรากำจัดความหิวทางทางใจเรากำจัดความหิวส่วนใหญ่แล้ความหิวทางร่างกายนี้ไม่เป็นปัญหากับใจก็ดูพระพุทธเจ ะ, จะเอาอดข้าถึงสนะี่สิบเก้าออนถ้าไม่มีสมาธิอดไม่ได้ท่านมีสมาธิรู้เปล่าท่านได้ฌานได้อะไรแล้วเพียงแต่ท่านยังไม่รู้วิธีกำจัดกิเลส ต, ตัวความอยากอยากกินนี่ใช้กำจัดยังไง อดยังไงมันก็ยังหิวยังอยากกินอยู่นะนะครับตอนหลังก็มาใช้ปัญญาถ้าอยากกินก็ดูความเป็นธาตุของอาหารไปดูสภาพความเสื่อมของอาหารดูนิจจังของอาหารอาหารมันการนิจจังเวลาอยู่ในจานก็เป็นอย่างอยู่ในปากก็เป็นอย่างเวลาอยู่ในลําไส้ก็เป็นอย่างเวลาออกมาก็เป็นอย่าง พอเห็ น, หนอนันนี้ความอยากอาหารมันก็หายไปทุกครั้งที่อยากจะกินนี่นึกถึงอุจจาระนึกถึงเวลามันกลายเป็นอุจจาระไปมันก็กินไม่ลงแล้วไม่หิวแล้ว <c oughs> ส่วนความหิวทางร่างกายก็มีอยู่แต่มันก็เป็นความเป็นเวทนาทางกายที่ไม่รุนแรงที่ใจสามารถอยู่กับอยู่กับความเวทนาทางกายนะ้ ถ้ามีความสงบถ้าไม่มีความสงบก็โอดปรุงแต่งเหวี่ยงอยู่ตลอดเลยนะตายอย่างบางทีอดตายมันไม่ได้ตายเพราะอดหรมันอดเพราะใจมันทร<จ>มาน <c oughs> นี่คือเรื่องของใจปัญหาของใจอยู่ที่การไม่เห็นใจรักถ้าเห็นใจรักแล้วมันจะ หยุดความอยากต่างๆหยุดการมาตัณหาความอยากในรูปเสียงเก่งรัได้หยุดภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากได้อย่างนั้นอยากมีอย่างนี้วิภาวะตัณหาความอยากไม่ปีนไม่เป็นไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้ถ้ามีความอยากแล้วใจก็เครียดแต่ถ้าเห็นว่าตาเป็นตายลักทุกอย่างก็หยุดความอยากได้ห้ามมันไม่ได้ ฝนมันจะตกนะาะมันไม่ได้วันนี้ปีนี้มันน่าจะหนาวมันไม่หนาวนี่ไปอยากให้มันหนาวก็ไม่ได้อยากให้มันหนาวมันก็ไม่หนาวคนบางคนมีเสื้อหนาวเตียงวันสองวันก่อนเย็นก็องชาออกใส่แล้หายไปแล้วจะโชว์หน่อยก็ไม่ได้โชว์นี่ยทุกอย่างมั้เป็นเป็นเป็น เป็นส่วนของธรรมชาติทุกอย่างร่างกายเราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแต่เราไม่มองว่ามันเป็นส่วนของธรรมชาติเราไม่มองว่าเป็นของเราเราคิดว่าเราควบคุมมันได้สั่งมันได้ซึ่งในระดับหนึ่งเราสั่งมันได้อยากจะให้มันทาอะไรก็สั่งให้มันทาได้แต่มันจะถึงเวลาที่ที่มันไม่ยอมรับคำสั่งเรา เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะสั่งให้มันไปไหนไม่ไหนมันไม่ไปแล้วไปไม่ไหวอสั่งให้มันกินมันก็ไม่กินไม่อยากกินเดิมก็ไม่อยากจะดื่มเนี่ยคือตายลังงทั้งนั้นมองให้ดีถ้าเห็นอะไรเป็นตายรั่งเราจะได้ปล่อยมันอย่าไปยึดไปติดอย่าไปเพื่งมันปัญหาคือเราไปเพื่งมันเราไปเพื่งมันให้ความสุขเวลราเห็น่มันเป็นนิจมานสุขทั้งหลับตา แต่เราไม่คิดว่าเวลามันเป็นอนิจจังขึ้นมาเหมือนความสุขนันก็หายไปสุขก็กลายเป็นทุกข์ไปอัตตาก็กลายเป็นอนัตตาไปแต่มันสายไปแนละ้วเวลามันกลายเราก็ยังไม่รูว้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังแล้อนัตตากลับมาร้องหผงร้องห้เสียใจทาไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้สิทำไมเขาเต้องจากเราไปลูกเราทำไมไปประสบอุบัติเหตุทาไมลดความตายหรืออะไร เรามันต้องตายที่หลังเราทำไมตายก่อนเราได้ยังไงคิดไปแทนที่จะมาคิดว่ามันก้าวหนี้จังเหมือนกันถ้าเห็นว่าหนี้จังมันจะได้สอนตัวเองได้ว่าจะได้เข็ดบางคนไม่เข็ดพอลูกตายไปก็ไปสร้างลูกใหม่ขึ้นมาถ้ายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่แล้วลูกลูกตายไปอายุไม่กี่ขวบตายไปเดี๋ยวก็อีกปีสองปีก็ได้ลูกใหม่ ดีใจใหม่แล้วก็มาวิตกกังวลใหม่มไม่เข็ดมันไม่ใช่มันไม่รู้ว่ามันเป็นายหลักถ้ามันรู้ไม่เอาแล้วพอปรมาจะตายไปเวลาเสียลูกไปแต่ละคนแต่ไม่เข็ดเดิมเลยอแล้วก็อยากจะมีลูกมาแทนคนเก่าพราะไปคิดถึงความสุขที่ได้จากลูก ไม่คิดถึงความทุกข์ที่จะได้เวลาที่เขาเป็นอะไรไปเนี่ยเราไม่มีวันที่จะคิดไปในทางตายรักได้เพราะอวิชชาเป็นตัวค่มอยู่อวิชชาก็คือความหลงความเห็นทุกอย่างว่าเป็นนิจจังสุกกรมาตตาอัตตานี้เห็นอะไรเป็นสุขไปหมดใช่ไหมเห็นอะไรดีไปหมดนะเห็นอะไรก็อยากได้เห็นรากก็อยากได้เห็นยศก็อยากได้ เห็นสานลักษณก็อยากได้เห็นรูปเสียงเก่งก็อยากได้ถึงองมาสอนใจใหม่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรมหมดเลยโปรแกรมตัวไหนที่เป็นนิจจังก็เปลี่ยนเป็นอนิจจังเนตัวไหนเป็นสุขขังก็เปลี่ยนเป็นทุกขังไปตัวไหนเป็นอัตตาก็เปลี่ยนเป็นอนัตตาไปทำหลันเปนี้ปั๊บ ัารตาหาความอยากต่างก็ดับหมดเลยไม่อยากได้เลยเพราะไม่อยากจะทุกข์ได้มาแล้วทุกข์ใครอยากจะได้กันที่อยากได้ก็คิว่าได้มาแล้วสุขใช่ไหมแล้วขณะที่จะได้นีทุกข์ขนาดไหนก็ยอมทุกข์เวลาเลือกตั้งกันในหาเสียงกันนช่ไหทุกข์ขนาดไหนก็ยอมทุกข์ คิดว่าได้มาแล้วจะสุขได้มีหน้ามีตาเป็นใหญ่เป็นโตมีคนมีสรรเสริญมีลาบมียดตามมาแต่ <c oughs> เวลาไม่ได้ก็เสียใจ <c oughs> ใเวลาได้มาเดี๋ยวหมดมาวาระสี่ปีก็ต้องหาใหม่ไม่ไม่มองเอง นันจะทําให้ใจคิดทางท่าทางทำได้เนี่ยขัน้นต้นต้องหยุดความคิดทางทางอวิชาก่อนเราถึงนั่งมานั่งสมาธิหยุดความหลงใ่ไหยุดความหลงเหมืนก็เวลาเราจะยูเทอร์นี่เราต้องหยุดรถก่อนใช่ไหมหยุดรถแล้วถอยหลังกลับหลังผ่านหน้าผานไปอีกทางหนึ่งตอนนี้เราคิดไปในทางอวิชชาเราก็ต้องหยุดพอหยุดแล้วเราก็ไปเอาความคิดของพระพุทธเจ้าที่เป็นวิชามา เป็นความจริงเ อ, อาวิชาก็เกิดความจริงความรู้ที่เป็นความเป็นจริงตรงกับความเป็นจริงเอามาคิดต่างแนวความเป็นจริงแนวความเป็นจริงว่าทุกอย่างมันไม่เช่ ม, มันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของเราแล้วก็เรเือกลับมาโปรแกรมใหม่โปรแกรมกับเรื่องที่เป็นที่เรายึดติดแล้วก็ไปจากของที่มันง่ายไปสู่ของยาก มันมีหลายชั้นไงเหมือนกับข้าวโพดเนี่ยมันมีมันมีหลายชั้นนีเปิดมีเมเ็ดนะถ้าเราจะถึงไปถึงซากอีกทีนะถึงแก่นของมันเราก็ต้องเด็ดจากเปิดเข้าไปาเปลือที่พวกเราติดกันอยู่ก็ผักของภานอกต่างๆของภานอกร่ า, การงกายลาบยศจัสเสื รูปเสียงกิน่นรก็รวมถึงบุคคลนะเสียงเขาต่างๆนี่อยู่ในกลุ่ของรูปเสียงกลิ่นรสใช่ั้ยของที่เราเห็นด้วยตาเช่นสามีภรรยาบุตรที่ดานี่ก็เป็นของที่เราเห็นด้วยตาเสียงของเขาเราก็ได้ยินทางทางเสียงทางนี้ก็เราต้องพิจารณาว่าเป็นตายรักเขานะ่ดัง เ, เงินทอง ถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราก็จะได้หยุดหยุดแสวงหากันหาเท่าที่จําเป็นหาเพื่ออยู่เพื่อให้อยู่ได้แต่ก็เดี๋ยวก็ต้องมาปล่อยอยู่ดีเสียงที่เราหาเงินเพื่อหาเงินมาเพื่อเลี้ยงดูเพื่อร่างกายต่อไปเราก็ต้องมาปล่อยร่างกายเพราะถ้ายังยึดแต่เกี่ยวร่างกายก็ยังทุกข์อยู่แต่ตอนนี้ยังยังยังปล่อยไม่ได้ร่างกายมันยากกว่าปล่อยของที่ง่ายกว่าก่อน ความอยากรวยก่อนเอาแค่พออยู่ได้ก่อนอย่างที่นยหลุงสอนเศรษฐกิจพอเพียงมันก็จะลดความทุกข์ความกดดันไปได้เยอะทางจิตใจอยากรวยมันก็ต้องดินนน้นรนหาเงินกันวุ่นวายกันแล้วถ้าไปหาเงินในทางไม่ชอบเด็กก็เสี่ยงต่อการไปรับโทษอีกผิดกฎหมายก็อาจจะติดคุกติดตารางผิดศีลผิดทรรก็ตายก็ไปอบายกันี เหนท่านตอนนี้ต้องปล่อยวางราบยศ เ, เสริญความสุขทางตาหูจมูกเนื้อง่ายเนี่ยพวกที่มาถือศีลแปดนี่ก็ปล่อยวางทางตาหูจมูกเนกื้อก่ายรูปเสียงกลิ่นลดไม่หาความสุขทางทางตาหูจมูกเ น, ก น, 8, นื้อง่ายถศีลแปดเนี่ยนอนนอนไม่หานอนกับแฟนก็ไม่ได้นะ กินข้าวเย็นก็ไม่ได้ไปงานเลี้ยงก็ไม่ได้ไปเที่ยวไปไหนก็ไม่ได้พระเจ้าต้องการก็ตัดกิจกรรมเหล่านี้เพราะมันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขและเราจะได้มีเวลามาทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ก็คือสมาธิถ้าเราไม่มีเวลาเราเราไปทํากิจกรรมต่างๆทางทางบางันเทิงทางอะไรเหล่านี้มันก็จะไม่มีเวลาที่จะมา ทำใจให้สงบได้เราก็ต้องปล่อยราบยศสรเสริญรูปเสียงเกินีนรถให้ได้ก่อนอันนี้เป็นของภายนอกไหวบุคนนั้นบุคนนี้ไม่ไปนอนกับแฟนแยกกันแฟนอยู่บ้านเรามานอนวัดอะไรอย่างนี้เริ่มรู้จักปล่อยวางต่อไปแฟนตายจากเราไปเราก็จะได้เม่นเดือดร้อน เลยเขาทิ้งเราไปเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเราจะอยู่แบบไม่ต้องมีสิ่งเหล่านี้เราจะอยู่แบบไม่ต้องมีลาภยศสรรเสริญไม่ต้องมีความสุขทางตาหูจมูกเลี้ยงกายพอเราทําได้แล้วขั้นต่อไปพอเร า, าบวชได้แล้วขั้นต่อไปก็มาหัดปล่อยร่างกายแล้วโจทย์ข้อที่สองภายนอกก็คือของภายนอกปล่อยหมดแล้วทรัพย์สมบัติเก่าของเงินทองบุคคลต่างๆ คนที่มาบวชเนี่ยเขาสละไปหมดนะถ้าบวชจริงๆนะถ้าบวชการเมืองก็ไม่ใช่นะสมัยก่อนคนรีภายกลารเมืองอยากจะกลับมาเมืองไทยก็มาบวชนะพมาบวชกไ็ไม่มีใครแตะต้องนะปล่อยให้บวชไปให้อยู่ไปพอคนเลวก็สึก อันนี้แต่บวชที่บวชแบบสละแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยฮะพระพุทธเจ้าก็บําเพณ์อย่างนี้เหมือนกันขั้นตอนแรกท่านก็ต้องสละของภายนอกกายภายนอกใจก่อนเพราะมันง่ายง่ายกว่าสละกายตอนต้นสละของภายนอกะละร่าด้วยสๆๆลเซลรูปเสียงกลิ่นลดพอสละได้แล้วก็จะมีเวลามาเจริญสมาธิเพราะว่าการจะปล่อย ประโย์ข้อที่สองคือร่างกายกับเวทนานี้มันต้องใช้กำลังมากขึ้นเหมือนยกน้ําหนักถ้าเราจะไปแข่งยกน้ําหนักตอนแรเราก็หัดยกน้ําหนักที่ที่เบาก่อนแล้วค่อยเพิ่มไปทีนีกิโลกิโลสองกิโลถ้าเราปล่อยวางภายนอนได้แล้วเราก็จะมีเวลามาเสริมกาลังมีเวลาจะรอดสติได้ทั้งวัน ทางเทศทั้งความทําได้ทั้งวันเวลานั่งสมาธิจิตก็สงบได้ง่ายอพอจิตสงบเต็มที่นี้เป็นอุเบกขาก็มาพิจารณาร่างกายว่าเป็นตายรักได้พอเห็นว่าเป็นตายรักก็ปล่อยได้ไม่กลัวตายอยากจะตายเพราะโลกมันต้องตายไม่กลัวความเจ็บนั่งอยู่กับความเจ็บได้ ขาดหถ้าใจมีโอเบคาใจจะเฉยเฉยเลนี่คยอปล่อยว่าขันไดขันห้าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันมาด้วยกันเป็นพวงปล่อยร่างกายปล่อยความแก่ความเจ็บความตายได้ก็ได้ทำอริยะธรรมขั้นที่หนึ่งได้เป็นโสดาบันแล้วแล้วขั้นที่สองก็มาปล่อยกามารมณ์ ยังติดอยู่กับเรื่องการพระโสดาบันนี้ยังไม่ได้ละกลามอารมณ์เราถึงบอกว่ายังมีเมอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่มีเมได้ยังต้องมียังขาดไม่ได้เพราะยังไม่ได้กำจัด ก, กามอารมณ์อันนั้นเป็นโจทย์ข้อที่สองแล้วข้อที่สามถ้านับถึงของภายนอกก็ต้องมาเจริญอสุภะพิจณา ดูความไม่สวยงามของร่างกายถ้าเห็นความสวยงามมันก็จะเกิดการมรงคขึ้นมาถ้าเห็นความไม่สวยงามมันก็จะดับการมรงได้มันมีอยู่ในคนเดียวกันนั่นแหละใคนเดียววันนึงก็สวยวันนงก็น่ากลัวน่าเกลียดเวลาตายไปน่ า, นาดูไหมเราให้รักกันขนาดไหนตายแล้วก็ไม่เอาไม่เก็บวแล้วยกให้สับเอล ยังให้วิจนาอาสุภะอสุภะก็มีหลายหลายลักษณะซากศพต่างๆสมัยก่อนเของขาไปเขาเอาศพไปที่งไว้ในป่าชา้ากันสมัยพุทธกาลไม่ได้เผาไม่ได้ฝังแล้วก็ผู้ที่ต้องการจะเห็นอสุภะก็ไปเยี่ยมป่าชา้ากันไปดูศพชนิด ต, ต่างๆศพตายหนึ่งวันตายสามวันตายห้าวันศพที่ถูกแรงกากา ก, ากิน แขนขาหลุดไปกระจายไปคนตัดเท็ดกับตัดทางนอองชายงเกินอะไรต่างๆเห็นความไม่สวยงามสภาพความไม่สวยงามของร่างกายหรือจะดูอวัยวะของร่างกายอาการ3าสสองก็ได้ศึกษาดูร่างกายนี้มีอะไรบ้างมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูก มีมาามีตับมีหัวใจมีปอดมีลำไส้มีสมองมเห็นเห็นกาการเหล่านี้แนละ้วมันก็จะไม่เกิดอารมณ์ดับการมารมณ์ได้ต้องเห็นบ่อยๆเหมือนเหมือนกับท่องสูตรคูณต้องจำได้พอเกิดการมาลมขึ้นมาก็ต้องนึกขึ้นมาได้เลยพอนึปกปั๊บกางอารมณ์ก็ดับพวกแต่ ถ้าดับมันได้หมดก็ได้ดบรรลุขั้นที่สามนะขั้นพระอนาคามีถ้าดับได้บางเวลาทําให้เบาบางลงไปก็ได้ขั้นที่สองขนพระสกิดาคามีพระกิดาคามีนี่ทำให้การมโลมเบาบางลงไป mm hmm. เดี๋ยกวาการมาราคะกับปฏิฆะการมาราคะกับปฏิฆะนี่มันมาคู่กันเวลาเกิดการมโลมันก็จะเกิดปฏิฆะความหลุดพิษลําพัาน ใจพอเวลาอยากอะไรนี่จะหมดเย็นสารมณ์ขันอยากวูเลยอยากเล่าอยากอะไรนี่ถ้ายังไม่ได้ดื่มไม่ได้สูบนี่มันหมดเย็นอารมณ์เสียง่ายแต่พอได้ดื่มแล้วเบาสบายหายไปชั่วคราวแล้วเดี๋ยวพอริบสุราหมดมันก็กลับมาใหม่ความอยากจะได้ดื่มมันกลับมาใหม่ วิธีกรรมจัดมันต้องกรรจัดด้วยการเห็นโทษของมันเห็นโทษของสุราเห็นผลที่เกิดจากการไปติดสุราว่ามันทุกข์อย่างไรถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์มันก็เลิกได้ถ้าเห็นถ้าเห็นเห็นอสุภะก็เลิกกามอารมณ์มได้ต่อไปก็จะไม่มีความอยากจะร่วมหลับนอนกับใครถ้าอนาคตมีอะไไม่ต้องกลับมามีร่างกาย ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขก็ไม่ต้องกลับมาเกิดถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานก็ถ้าตายไปก่อนก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นโภมแล้วก็ไปบรรลุบนสวรรค์ชั้นโภมสามารถปฏิบัติต่อได้เลยเพราะปัญหามันที่เหลืออยู่มันอยู่ในจิตจิตยังติดอารมณ์ต่างๆยังติดความสุขที่มีอยู่ภายในจิต เรื่มันยังเป็นของไม่เที่ยงเป็นตายรักเหมือนกันต้องพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นว่ามันเป็นตายรักเหมือนกับร่างกายถ้าเห็นว่ามันเป็นใจรักเหมือนกับร่างกายเหมือนกับเวทนาเหมือนกั บ, าบกลาภยศารเสด็จจิตแค่ปล่อยปล่อยก็จะไม่ทุกข์กับอารมณ์ของจิตที่ยังเปลี่ยนไปยังสุขบ้างทุกข์บ้างสลับกันไปอยู่ในจิต น, นั่นเป็นความสุขความทุกข์เกละเอียดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับร่างกายเลยเป็นเรื่องของอารมณ์อยู่ในจิตถ้าปล่อยวางได้จิตก็หลุดพ้นไม่ทุกข์อีกต่อไปไม่เรียกจะทุกข์แล้วปล่อยทุกอย่างที่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้หดความอยากก็หมดไปจิตก็สะอาด บ, บริสุทธิ์ เป็นนิพพานขึ้นมาตั้งใจยังไม่ตายคนไม่เข้าใจคำว่านิพพานเพราะเรามักจะใช้กับคนที่ได้ถึงว่านิพพานแล้วเราก็เลยคิดว่านิพพานนี้ต้องตายก่อนแล้วก็ไปฟังว่านิพพานสูนก็ยิ่งกลัวใหญ่เลยอ้ยปฏิบัติแล้วศูนไม่ถึงนิพพานแล้วสูนย์กูไม่ไปดีกว่าใช่ั้มคําว่าสูนก็คือกิเลสศูนจากกิเลสศูนจากความทุกข์ ในจิตของผู้ที่เป็นนิพพานนี้ไม่มีกิเลสหลงเหลืออยู่ไม่มีตัณหาอวิชาโมหะอะไรไม่มีแล้วว่ามันไม่ยึดติดกับอะไรมันไม่คิดถึงอะไรมันไม่คิดถึงร่างยศเสรเสริญไม่คิดถึงรูปเสียงเกิดไม่คิดถึงร่างกายไม่คิดถึงอะไรปล่อยวางทุกอย่างไม่กังวลกับมันพูดง่ายๆคือไม่กังวลกับมัน ตอนนี้จิตเรากังวลอยู่กังวลกับเรื่องอะไรบ้างเงินทองตำแหน่งไม่หมดนะเอตำแหน่งหมดแล้วเสียณแล้วยังยังมีมีเครื่องมาชอยู่ไม่ใช่หรอไม่เอาแ ล, ล้วฉันได้เสร์ฟ ย, ยังเอาอยู่ลูกเสียงเก่วก็ยังอยากไปสัมผัสอยู่ ร่างกายก็ยังกังวลอยู่มันจะอยู่ไปทั้กี่วันมันจะตายเมื่อไหร่โรคภัยไข้เจ็บจะเป็นมะเร็งขึ้นมาเมื่อไหร่ยังกังวลอยู่ไหมแสดงว่าไม่ว่างจากเรื่องาราวในจิตเราวุ่นวายอยู่กับเรื่องาราวเหล่า น, นี้เพรเราขาดใจรักขาดสมาธิขาดใจรักก็คือปัญญา แต่ว่าจังเวลาปฏิบัติมันก็ลดลงนะจตนจาจใช่การการปฏิบตัติมันทำให้เกิดให้ลดลงถ้แต่ปฏิบัติมันไม่เกิดม<ต>ันไม่ลดจากที่ไม่รู้เรื่องเลยก <ผม S 1> ็จะรู้ขึ้นไปเรื่อยมาฟังเทศบ่อยๆฟังแต่ละครั้งมันก็ได้ทั้งของเก่าได้ทั้งของใหม่ได้ยินของเก่ามันก็เข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นหราต้องอ่านหนังสือด้วยโ่คดีสมัยนี้เราไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนต้องรอพลาดเทศ อาทิตย์กละครั้งเนี่ยมันไม่พอเดี<ช>๋ยวนี้<ช>ฟังได้ทุกวันดูได้ทุกวันวันละหลายหลายรอบก็ได้เช้ากลางวันเย็นก็ได้คนที่ชอบธรรมะนี่โอ้ฟังได้ทั้งวั น, นแต่วิธีฟังที่จะให้เกิดประโยชน์มากสูงสุดก็ต้องนั่งเฉยๆอย่าฟังไปแล้วทำอะไรไปพร้อมกันเพราะจิตมันจะต้องแบ่งเป็นสองแบ่งไปที่เสียงทำแล้วแบ่งมาที่งานที่เราทาอยู่มันก็จะได้ไม่อย่างต่อเนื่อง เวลาเรามาทำอะไรสียงธรรมมันก็เข้าหูแต่มันไม่เข้าใจเพราะใจเราไปอยู่ที่ของที่เรารกาลังทำอยู่แต่ถ้านั่งอย่างนี้มันไม่ได้ทำอะไรมันเข้าไปทุกอย่างเข้าไปในใจได้หมดเลยถ้าอยากจะทำอะไรฟังธรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดนี่ต้องนั่งเฉยๆกายวาจาใจต้องสงบกายไม่ทำอะไรวาจาไม่คุยกันใจไม่คิดเรื่องต่างๆ ใจจดจอ่ออยู่กับเสียงธรรมเพียงอย่างเดียวมันก็เป็นการฝึกทำสมาธิไปในตัวาใจไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่กับเสียงธรรมเดี๋ยวเสียงธรรมก็กรอบให้เข้าสู่ความสงบได้ระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้เต็มเต็มร้อยเพราะมันมี ม, มีวิตกวิจารอยู่วนะิตกก็คือตรึกวิจารณก็คือตรอ ง, วอรองเวลาเราฟังธรรมเราก็ต้องตรอ ง, อ ง, รองไปแต่เราคิดไปในทางธรรมคิดในทางธรรมมันก็ทาให้จิตสงบได้ คิดในทางธรรมไม่เป็นกิเลสไม่เปน็นก็เป็นธรรมแหละเป็นวิชาปัจจยาสังขารเราฟังแล้วมันจะสอนให้ปล่อยให้หยุดความอยากถ้าดูทีวีแล้วเห็นโฆษณาแล้วมันกระตุ้นความอยากไปคนละทางกัน อ, อย่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องอสุภะนี่ พอฟังในคำสุภาษันก็ความอยากในกามก็หายพุกไปเลยแต่มันลืมละเดี๋ยวเดียวมันก็ลืมลต้องเอามาเจริญบ่อยๆต้องพิจารณาบ่อยๆจนไม่ลืมเห็นร่างกายครารนี้เห็นหมดทุกส่วนทุกสัด ท, ทุกส่วนทั้งส่วนที่ดีที่น่าดูและส่วนที่ไม่น่าดูมันมีอยู่เนยมันบางทีถูกผิวหนังห่มห่อไว้ใช่ไหม เลือมันยังไม่เกิดขึ้นความความตายยังไม่เกิดขึ้นก็เรา ย, ยังไม่เห็นความเป็นซากศพ ข, ของร่างกายก็ต้องมาคิดบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆให้มันจดให้มันจำนะพอมันเห็นร่างกายของใครมันก็จะเห็นหมดทุกสักทุกส่วนเห็นทั้งปัจจุบันเห็นทั้งอนาคตที่จะตามมาเ ห, เห็นทั้งข้างในเห็นทั้งข้างนอก ข้างนอกก็เห็นข้างในก็เห็นถ้าเห็นหมดทุกสัพทุกส่วนมันก็ไม่หลงไม่หลงรักใครเพราะร่างกายมันไม่น่ารักหรอกมันน่าเกลียดจะตายเลยเห็นแต่เรามองไม่เห็นส่วนที่มันน่าเกลียดทั้งนี้ที่เรากลัวผีก็มาจากไหนผีมันก็มาจากร่างกายนี่ไม่ใอยู่กับร่างกายอยู่กับผีมันตลาดไม่กลัวพอไปเห็นโสดใครก็กลัวขึ้นมาเลย แลร่ลางกายเรามันจะไม่เป็นศพเลยใช่ไห ม, มันไม่คิดเองนีคนจะคิดเรื่องราวเหล่านี้ได้จิตต้องสงบก่อนเนี่ยเยันไม่มีกําลังดึงมาคิดหรอกกิเลสมันจะดึงให้ไปคิดในส่วนที่สวยงามเห็นหน้าตาในกระจ ก, กโอไม่ไหวแล้วต้องเติมต้องแต่งต้องแต่งแล้วต้องหวีเข่าหวีผมต้องเช็ดหน้าเช็ดตาแล้วเห็นแล้วมันไม่สวยแล้วมันจะคิดไปในทางสวยงามอย่างเดียว นี่คือเรื่องของการปฏิบัติถึงจะได้ผลนะถ้าฟังอย่างเดียวมันถ้าได้ผลเดียวเดียวฟังตอนนี้ได้ผลครับแล้วเดี๋ยวมันไปมันก็ลืมก็อเอาไปทําต่อทําจนถึงไม่ลืมมันถึงจะเรียกว่าบรรลุธรรมถ้าทําแล้วยังลืมนี่มันก็เรียกว่ายังไม่บรรลุบรรลุปลอมบรรลุเดียวเดียวบางคนอ่านหนังสือแล้วเข้าใจแล้วเขาคิดว่าเขาบรรลุแล้ว แต่เขายังไม่ได้ไปเจอข้อสอบของจริงยังไม่ได้เจออ น, นิจจิ์ไปเลยพ อ, อเจอพ อ, อ, อ, อเจออนิจจ์นี่เศร้าเมาเศร้าหมองขึ้นมาทันทีแต่ตอนอ่านเข้าใจเออทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดาเขา้เขาใจเข้าใจต้องปล่อยวางไม่กลัวตายเพูดได้ใหนักบวชพิสูจน์ดูไปหาความความตายดูแล้วดูเสียจะกลัวหรือไม่กลัว ไปอยู่ในป่าด้วยอยู่ในป่าเปลี่ยวคนเดียวได้ยินเสียงเสือร้องนี่จะรู้สึกยังงเสือคำรามใช่ไหมกลัวไม่กลัวจะรู้พระปฏิบัติเนี่ยพระทุ่งดงท่านไปท่านจะไปพิสูจน์ปัญญาของท่านว่าเป็นปัญญาจริงหรือปัญญาปลอมปัญญาปลอมก็คือสัญญา หรือจิน ต, นตาไมยะปัญญาหรือสุดตะไมยะปัญญาอันนี้ยังเป็นปัญญาปลปัญญายังดับความทุกข์ไม่ได้ต้องเป็นภาวนามะยะปัญญาพอฟังเสียงคํารามแล้วจิตก็นิ่งเฉยมีอุเบกขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงนั่นแหละถึงจะเรียกว่าปัญญาถึงต้องเป็นภาวนามะยะปัญญาภาวนาก็ สมรถาภาวานานี่ไงสมาธินี่ปัญญาที่ประกอบด้วยสมาธินี่ถึงจะเป็นปัญญาที่มีพลานรภาพที่จะสามารถดับความทุกข์ใจได้ถ้าเป็นสูตรตะเนี่ยที่เราฟังวันนี้เดี๋ยวลืมนะเดี๋ยวพอไปเจอนิจังเขาก็ร้องไห้กันแล้วเศร้าโศกเสียใจทุกข์กันแล้ว จินตาก็เอาไปพิจารณาต่อไปไปไปเจริญต่อเพื่อจะได้ไม่ลืมขั้นต้นต้องต้องฟังก่อนเพื่อให้รู้ว่าปัญญาคืออะไรขั้นที่สองก็เอาไปเจริญเพื่อไม่ให้ลืมขั้นที่สามก็เอาไปใช้เวลาเกิดข้อสอบขึ้นมาถ้าใช้แล้วยังดับไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีสมาธิไม่มีกำลังก็ต้องไปนั่งสมาธิกันก่อน พอมีสมาธิมีอุเบกขาแล้วพอมีข้อสอบใช้ปัญญาเข้าไปแก้ได้ทันทีหยุดได้ทันทีหยุดความทุกข์ได้ทันทีก็จะรู้ว่าหลุดแล้วหลุดพ้นแล้วจากปัญหาเรื่องนี้จะไม่ทุกข์กับเรื่องนี้ต่อไปแนละ้ว ม, มีใครอยากจะถามอะไรไหมพระอาจาร เรื่องวิบากกรรมเนี่ยมันมีผลทั้งอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตใช่ไหอออดีตมันผ่านไปแล้วอดีตมันเป็นเป็นเหตุกรรมต่างๆที่เราทำนี่มันมันเป็นอดีตไปหมดแล้ววิบากมันจะเกิดในปัจจุบันนี่แล้วแล้วหรืออนาคตถ้ามันยังปัจจุบันยังไม่หมดมันก็จะรอเกิดในอนาคตวันต่อไปได้แต่อดีตนี่มันผ่านไปแล้ว วิธีป้องกันมีวิธีป้องกันก็อย่าไปทำกรรมเลยอย่าไปทำกรรมหรือว่าวิธีที่จะรับกับวิบากกรรมก็คือสร้างกรรมดีถ้ามีกรรมดีมันก็จะเปเหมือนกับ hmm. มีมีเบาะรองรับเวลาเรากระโดดจากเราตกจากที่สูงสมมติเราตกจากตึกสูงสูงมานี่ถ้าเรามีเบาะหนาหนารองรับอยู่มันก็ไม่กะแทกกับพื้น มันจะมันจะกระแทกกับบาะมันก็ไม่เจ็บมาถ้าเราทำความดีต่างๆความดีนี้มันจะเป็นเหมือนกับบอ่อที่จะรับกับวิบากบ่อทางใจนไม่ใช่ทางร่างกายเช่นเราทำบุญล้วถ้าเราจเจริญสมาธิปัญญาได้อย่างองคุลิมานนี้จเจริญปัญญาจนเป็นพระอรหันได้นี่วิบากของแกที่แกทำมานี้จะไม่สะเทือนใจแก เห็นชาวบ้านเจอเอาขินเกวี้ยงใส่หัวแก่ก็ไม่เดือดร้อนอะไรหรือพระโมคกัานะเนี่เคยมีการต้องถูกข้าฆ่าตายท่านก็ไม่เดือดร้อนทางใจใจท่านเฉยๆเพราะท่านมีบุญบุญที่เกิดจากการภาวนาการปฏิบัติบุญที่เกิดจากสมาธิและปัญญาอันนี้จะมาทาให้จิตใจของท่านไม่ทุกข์กับความตายของร่างกายของท่าน แต่เราถ้าแต่ท่านไปหยุดวิบากที่ท่านไว้ไม่ได้ไปท่าเขาแล้วเขาก็มาตามร้างข่าท่านต่ออันนี้ไปห้ามเขาไม่ได้เราไปตีหัวคนอื่นแล้วเขากินงหเปล่าเขาจะมาตีหัวเราไหมใช่ไหมถ้าเราไม่อยากให้เขามาตีหัวเราเราก็อย่าไปตีหัวเขาเลยแต่ถ้าเราตีแล้วเราก็เตรียมตัวรับให้เขาตีซะตีแล้วมันก็จบเดี๋ยวเขาเขาได้ตีแล้วเขาก็หายโกรธแล้ว แต่ได้ยังไม่ได้ตีหนียังไงเขาก็ตามอย่างนั้นใจมันเป็นอย่างนั้นพอมันจะทำะํำแล้วมันต้องทําให้ได้มันถึงอยจะหาย <c oughs> ถึงจะเลิกถ้ายัางไม่ได้ทํามันก็จะตามล้างตามแค้นอยู่อาฆาตพยาบาทไปเรื่อยๆนุ่นแล้วใขรมันมาตามครับ <c oughs> ก็คนที่เราทํานี่แหละเจอหน้ากันมันก็จําได้คนเราเนี่ยเวลาเจอเนี่ยเจอบางคนขี้หน้าก็ไม่ชอบมันแล้วใช่ไหม ที่เราไม่ชอบมันเพราะไม่ใช่หน้าตามันหรอกบางทีเราจำอิริยาขของมันได้น้ำเสียงท่าทางมันพูดนี่มันไม่เปลี่ยนคนเราสังเกตนหน้าตาเปลี่ยนเวลาแก่ลงเปลี่ยนไปเรื่อยแต่เสียงการพูดนี่ไม่ค่อยเปลี่ยนบางทีเจอคนหน้าตาที่ไม่เคยหน้าสามสิบปีนี่จำไม่ได้เป็นใครแต่พอพูดออกมาท่านจำได้เลยเพราะผู้ที่พูดนี่ไม่ใช่ร่างกายู้ที่พูดคือ ใจใจมันเคยพูดกระชโชกโขคา่าค่อยจะพูดอย่างไรมันมันจะติดเป็นนิสัยไปไมันไปเกิดชาติหน้ามันก็จะพูดแบบ น, นี้กันใช่ไหมใจมันไม่ได้เปลี่ยนที่เปลี่ยนเปลี่ยนที่ร่างกายเห็นเวลาเราเห็นใครที่เราไม่เจอนานๆถ้าเห็นหน้าตาบางทีจําไม่ได้แต่พอเขาพูดเ อ, อ่ยปากออกมาท่านะ่ะอ๋อเสียงนี้จาได้ออเสียงไม่ค่อยเปลี่ยน อาจจะทุ่มหน่อยอะไรหน่อยเสียงใหญ่ขึ้นอะไรนี้แต่วิธีการพูดนี่มันไม่เปลี่ยนสไตล์การพูดไม่เปลี่ยนเนี่ยคนเราเวลาเจอกันมันถึงรู้ว่าเคยมีอะไรกันหรือไม่ใช่ไหมเวลาเจอใครบางคนนี่เห็นแล้วทําไมชอบเขาก็ไมรู้ทำไมเกลียดคนนี้แล้วเกิดยังไงมันเพราะว่ามันเคยเคยชอบเคยเกลียดกันมาก่อนพอมันเจอกันมันก็รู้เลย แล้วเดี๋ยวมันก็มาทำทาเรื่องทำราวกันต่อไปคนที่เกลียดเดี๋ยวมันก็รู้แล้วอ๋อนี่บาก็จะคิดอยากจะทำร้ายคนนี้แล้วอยากจะขัดขวางกันล้วมันก็เป็นอย่างเทวทัตกับพระพุทธจเจ้าเนี่ยมันตามตามจองล้างจองผานกันมาทุกภบทุกชาที่เจอเลนไม่ยอมกันต้องเอาแพ้เอาชนะกัน แต่พระพุทธเจ้าท่านเอาชนะทางธรรมเทวทัตเอาชนะทางกิเลสก็เลยไปทำบาปแต่พระพุทธเจ้าชนะด้วยเหตุด้วยผลงั้นอย่าไปสร้างเรื่องสรางกรรมถ้าทำมาแล้วเนนี้มันเป็นอดีตไปแล้วเราไปแก้มไม่ได้แล้วของนี่เราทำไว้ในอดีตเราแก้มไม่ได้ แต่ท้องที่เรายังไม่ทํานี่รับป้องกันไนดะ้เราอยากไปทำํำ mm hmm. พระเจ้าทังสอนให้ทําบุญให้ละบาปทั้งปวงให้ทํากุศลให้ถึงพร้อมแล้วเราจะได้ไม่สร้างกรรมใหม่มีแต่สร้างบุญใหม่แล้วพ่อตาถ้าเรารู้ว่าเราเรามีกรรมเนี้ยแล้วเราอยากจะชดใช้กรรมให้หมดเนี้ยจะทํำยังไง จะได้ชดใช้นะคะเราสำรวตัวได้แล้วก็จะชดใส้เวลาเขามาทวงก็ให้เขาไปถ้ายังไม่มาทวงก็เตรียมเงินเตรียมของไว้พอเขามาียวขเนยอันนั้นมเดี๋ยวเขามาด่าเราเนี่ยเวเขมาด่าเราเนีเดี๋ยวมาเรนี่ยเดี๋ยวเมาเราเนี่ยเีเ่เราเนี่ยเดี๋ยวมีการาเ่เดี๋ยวเขมาด่าเราเดี๋ยวเขมา่าเรนเนี่ยเ๋รีเเขมา่เเนยาด่เราดี๋ยวเขาาด่เราเเ ก็เตรียมตัวไอ้เขาไทยก็จะมาโทรมาเราก็กงออก็เรื่องของเขาก็ให้เขาไปของไม่ดีเก็บไว้ทําไมภาษานี้ไอ้กรรมไม่ดําไม่ขาวนี่มันจะมันจะมัจะดีกว่ากรรมดีอ่ะกรรมไม่ดาไม่ขาวมันก็ไม่มีผลนะกรรมที่ไม่เป็นบุญกรรมที่ไม่เป็นบาปอย่างที่เราอาบน้ําแต่งตัวมันไม่ได้เป็นกรรมกรรมบาปหรือกรรมบุญบาปก็คือทําอะไรทําให้คนเดือดร้อนนี่ยเรียกว่าคนอื่นเดือดร้อนเรียกว่าบาป บุญก็คือทำาไรให้คนอื่นเขาได้รับความสุขก็เรียกว่าบุญการกระทำอะไรที่ไม่ได้ทำให้คนอื่นได้รับความทุกข์หรือได้รับความสุขก็เป็นกรรมแบบไม่มีผลถ้เรานั่งสมาธิอย่างนี้จะเป็นกรรมอะไรก็ไม่เป็นกรรมสําหรับดีไนงะเพราะมันทําใจให้เราสงบทําให้เรามีความสุขทางใจถ้าเป็นความสุขทางการนี้ทางใจเราเรียกว่าเป็นกุศลเป็นบุญ แต่ถ้าเป็นความสุขทางร่างกายนี้มันไม่ได้เป็นบุญการอาบน้ำอาบท่ากินข้าวมันไม่ได้เป็นบุญเพราะมไม่ได้ทำให้จิตใจสุขมากขึ้นนลือดทุกข์น้อยลงมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจมันก็เลยเป็นกรรมที่เรียกว่ากลางๆไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปทันทีจางแล้วทีนี้ถ้าเรามีอาชีพบางอย่างนี้วเราก็ต้องดูคน อย่างนี้มันจะบาปต้องดูไม่่าปพ่อพุทธเจ้าก็ดูพระหลวงตาท่านก็ด่าพระเดี๋ยวเวลาเราดูดูพอแล้วอารมณ์มันเลิกแล้วก็แบบด่าด้วยอารมณ์ดูด่าด้วยเหตุผลเนี้ค่เลยครับถ้ามันประสมกันนะครับฮถ้ามันประสมกันก็เป็นโทษของเรานถ้าเรามีอารมณ์เราก็อย่าไปด่าเขาอย่าไปว่าเัาเราให้อารมณ์นั้นสงบก่อนแล้วใช้เหตุผลพูดกัน คุยกันชี้ชผิดชี้ถูกให้ก็าฟังว่าทำแบบนี้แล้วจะเกิดโทษอย่างนี้ขึ้นมานะท่านนั้นเนะ่ไม่ต้องไปด่าเขาเป็นวัวเป็นควายอะไรเงีผมไม่ได้ด่าอย่างนั้นนะแต่ว่า ม, มันเหมือนกับดุอ่ะท่านอาจารย์นึกคาว่าดุไหมครับได้ก็ดุนะห้องตาหน้าวัวดุจะตายเลยถ้าใ น, ในกลัวท่านจะตายเลยดูด้วยเห็นด้วยผมไม่รูปัญหาอกยวัวมีาก ไม่บาปไม่บาปไม่ไม่ได้เป็นเพื่อพลุศวาสไม่ได้เป็นคาพูดผลไม่บาปถ้าไปไปพูดไปว่าเขาในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำเนี่ยบาปไปกล่าวหาเขาว่าเขาผิดนี้แล้วเขาไม่ผิดนี้คนที่จะสั่งสอนคนอื่นน้านนี่ต้องเป็นคนที่มีบรรลุนิติภาวะทางจิตใจ ต้องสามารถควบคุมอารมณ์ของตนได้ก่อนอที่จะว่าเก่าวถักเตือนการนี้ต้องหยุดต้องคุมอารมณ์ของตนให้ได้ก่อนถ้าคุณไม่ได้อย่าไปว่าเก่าวถักเตือนนี้มันจะกลายเป็นเป็นบาปกรรมเป็นเป็นกรรมเป็นเป็นเวรกันคือมันจะทําให้คนเข้าฟังเข้าโกรธเราเกลียดเราแต่ถ้าเราพูดด้วยเหตุด้วยผลไม่มีอารมณ์นี้เขาไม่โกรธไม่เกลียดเขารู้ว่ามันเป็น พูดตตามปักกะเห็นต้องระมัดระวังเวลาจะพูดอะไรถ้ามีอารมณ์นี้าบอกอย่าเพิ่งไปพูดอย่าพึ่งไปทําทอะไรไว้รอให้อารมณ์นั้นหายไปก่อนไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โลภ ก, ก็ดีอารมณ์โกรธก็ดีมันเป็นอคติเนี่ยรักชังเนี่เป็นอคติถึงไม่ทาสมาธิอะไรพอมีสมาธิแล้วใจก็จะไม่ในอคติ ก็จะพูดทุกอย่างไปตามความเป็นจริงเห็นมองอะไรก็จะมองไปตามความเป็นจริงนะผิดก็เห็นว่าผิดถูกก็เห็นว่าถูกทุกข์ก็เห็นว่าทุกข์สุขก็เห็นว่าสุขแต่ตอนนี้มันถูกอคติคร่อบงำใจของพวกเรามันเลยทําให้เราเห็นกลับตาลปัดเนี่ยที่พาท่านบอกว่าเห็นกงจากเป็นดอกบัวเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขกันเนี่ยเห็นราบยศสรรเสริญที่เป็นทุกข์นี่ว่าเป็นสุขกัน ก็เลยวิ่งหากันก็หาเหมือนพอเข้าหาแล้วก็มาบ่นว่าทุกกันคนเจริญก็เห็นแล้วก็ถอยเพราะวัฏจักรนี้ถอยออกจากราบด้วยศสารเสินออกจากรูปเสียงกลิ่นรสเพราะถ้าเห็นว่ามันทุกข์มันไม่ใช่เป็นสุขสละราชสมบัติเห็นไหมมีใครบ้าหรือเปล่าอยู่ดีๆมาสละราชสมบัติมีแต่คนอยากได้นั้น คนที่มีอคตินี้จะอยากได้ของที่เป็นทุกข์กันเพราะคิดว่าเป็นสุ ข, ขกันแต่คนที่มีปัญญาจะเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะท่านเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งที่ท่านมิจะได้และในในร่างกายของท่านเองก็ไม่เที่ยงได้มาแล้วสักกี่ปีเดี๋ยวก็ตายแล้วใช่ไหมมันเห็นไม่เที่ยงทั้งสองส่วนส่วนที่ได้มาก็อาจจะถูกคนอื่นแย่งไปก็ได้ เดี๋ยวเกิดมีการโค่ น, นนะครับโค่นอำนาจกันแล้วก็ไปแล้วใช่ไหมจานนี้ที่เขาบอกเจ้ากรรมนายเวรอะไรเนี่ยมันตกลงมันเป็นคําพูดที่มันใช้ถูกหรือไม่ถูกเป็ น, ปนคําพูดที่มันไม่มีมันไม่ได้พูดหมายถึงตัวตนคนนั้นคนนี้คือคือคําว่าเจ้ากรรมนายเวรก็คือถ้าจะพูดถึงบุคคลก็บุคคลที่เราเคยมีมีมีกรณีพ่พาทกัน เขาก็เป็นเจ้ากรรมในเวรเราเพราะเราไปสร้างเวรไปทําให้เขาโกรธเขาเกลียดเราเขาก็เป็นเจ้ากรรมในเวรเราเขาก็จะมาตามจองเวรจองกรรมเราข้อมายห้ไราย่างนะเช่นโยมมาด่าธารมะอย่างเงี้ยธรรมาก็จะเป็นเจ้ากรรมในเวรของโยมมันจะตามจ้องด่ากลับเออทํำไงครับก็ยังไม่ด่าเขาเลยง่ายจะตายไป คนที่เราไม่ด่าก็ไม่มันเป็นเจ้ากรรมนเวรเราหรถ้าคนที่เราไม่ไปทําร้ายเขาก็ไม่มาทําร้ายเราหรอกโดยธรรมชาติของคนเป็นอย่างนี้แต่ไม่ไปทําร้ายกันยกเว้นในกรณีที่เกิดการแข่งขันกันธรรมะกินแข่งแย่งชิงดีกันนี่มันก็เกิดการทะเลาะเบาะแวงกันได้ก็ถ้าเรารู้ว่าจะต้องแข่งนั้นกับเขาเราก็ถอยเสียไปแล้วกันอย่าไปแข่งถ้าไม่อยากจะมีเวรมีกรรมกันก็อย่าไปแข่งกับเขา ชิดซ้ายไปไดให้เข้าไปให้เข้าไปเราก็จะไม่มีเวรกันพระอาจารย์และการที่เราทำบุญแล้วอุทิศให้เจ้ากรรมในเวเรเขาจะได้ไหมไม่ได้คือคาว่าอุทิศบุญนี่ให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วที่เป็นอยู่ในฐานะที่เป็นขอทานคือคนที่ตายไปแล้วไม่มีบุญติดตัวไปก็จะไปเป็นเปรต เปรนี้ก็จะเป็นขอทานทางจิตวิญ ญ, ญาณเขาก็บางทีก็จะมาขอส่วนบุญจากเราเราก็แบ่งบุญที่เราทํำนี่ให้กับเขาไปได้แต่เขาไม่ได้เขาอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรเราหรือไม่เป็นเจ้ากรรมในเวเ ร, ร, เ, รเราก็ได้ถ้าเขาเป็นเจ้ากรรมในเวรแล้วเขามาขอส่วนบุญเราให้เขาไปเขาอาจจะไม่จองเวรเราก็ได้สิอแต่ถ้าแต่ถ้าเขาไม่ได้เป็นเจ้ากรรมไม่มีเวรมีก ร, กรรมกรรมมันก็ไม่เกี่ยวกัน หรือคนที่มีเวรมีกรรมกับเราให้เขาน้อยไปเขาก็ยังไม่ให้อภัยกันได้ใช่ไหมที่เรามีกำลังพิพาทกันขึ้นขึ้นศาลกันนี่ก็เป็นเวรเป็นกรรมกันอยู่แล้วถ้าเราชดเชยชดใช้ค่ า, าเสียหายให้เขาตามที่เขาต้องการ เ, เ, เขาก็เลิกไปเขาก็เลิกไปถ้ายังไม่ชดใช้เขาก็เราฟ้อ ง, องไปเรื่อยๆอุทธร์ไปเรื่อยๆถ้าแพาา้ศาลชั้นนี้ก็อุทธร์ขึ้นศาลอุทธร์จนกว่าเขาจะหมดทาง หมดทางทางโลกแล้วก็ยังฝังอยู่ในใจเขาอยู่ว่ามีโอกาสที่เขาจะเอาคืนได้วิธีหรือเขาก็าจจะเอาคืนก็ได้เังไงถ้าเราเอาอะไรของใครมาก็คืนเขาไปดีกว่ามันจะได้หมดเวรหมดกรรมกันใช้เวรใช้กรรมกันไปโยมีอะไรัหมวันนี้มา ดีใจค่ะพอดีน้องเขาชวนมาก็เลยบอกมามามีใจไม่เคยขึ้นหน่อยนี้ไม่ขี่ไม่หลงเลยพามาที่แต่ก็จำได้ก็เพราะนี้เจ้าหนี่เขาเรียกเขตห้ามล่าสัตว์ปากเขาเชียงแต่จะต้องมาให้ได้เพราะเวลาช้าติดทัวรน้องเขาบอกว่าหาอาจารย์จะเอาออกมามาเพราะว่าตั้งใจเป็นลูกศิษ ที่นี่ไม่เคยขึ้นมาตรงนี้นฮะก็เลยอยาปรอมาแล้วดีใจค่จจะเจอาจารย์ได้ใจที่นี้ก็จะรับแขกตอนบ่ายสองโมงถึงสี่โมงมทุกวันถ้าถ้าไม่ได้ไปไหนก็จะมีคนมาหาก็ขอร้องให้เข้ามาหาเวลาเดียวกันมันจะได้ไม่เสียเวลามากเมื <c oughs> ่อก่อนนี้คนไม่มากก็ปล่อยให้มาตามอธัธยาศัย ต, ตอนนี้คนมามากก็เลยตั้งเวลาไว้ วัยสองโมงทุกวันอย่างนี้แล้วก็คนที่อยู่บ้านอยากจะติดตามก็มีถ่ายทอดสดให้เนี่ยมีกล้องถ่ายไปอยู่บ้านเปิดเปิด a ฟ e บุ๊กได้เปิดยูทูบได้ดูแต่ยู u ูบนะได้สดเลยสดสดร้อนเลยวูดีน้องสองคนก็ลาก็ชวนมด้วยันเลย่ะคือจมเมี ที่มีสวยไปที่ไหนไกลที่ตรงนี้ใกล้บ้านเราด้วยใกล้สวยเนี่ยดอกที่มาอาจารย์จะเลือกแล้วก็ไม่เป็นไรจะอยากมาค่ะจะให้พรก่อนนะแล้วเดี๋ยวใครอยากจะมาหนังสือซีดีก็มาเอาได้อันนี้ก็เสร็จชั่วโมงแล้วเดี๋ยวคนที่มานานแล้วอยากจะกลับก็จะได้กลับบางคนก็รอให้พร ถ้ายังไม่ให้พรก็ยังคิดว่ายังไม่ได้บุญก็ไะไต้องให้พรเขาสินี่ถ้าได้บุญแล้วคนนี้บางทีเขาอยากจะกลับก็กลับคนใครอยากจะหยิบต่อก็อ่านหนังสือซีดีหยิบเอาอ่านอับซีดีหนังสือไม่ได้อาจารย์เขเวลามาปฏิบัติธรรมท่านต้องมาขออนุญาตท่านใช่ไหครับก็ถ้าข้างล่างก็มีพนักงานของวัดก็มีที่พัข้างล่างถ้าจะอยู่บนเท้านี่ก็ต้องมาติดต่อคับ แต่บนเขาเนี่ยมันจะโหดมันเป็นแบบทุดงสถานไม่มีน้ำไม่มีไฟมีน้ำไม่มีไฟถ้าเอากดมาเองต้องเอาบอนเอามุงอะไรมาเองใหม่หรือวะมีแค่ให้มีมีแค่ที่อะไรไปแค่อย่างเนี้ยคืออยู่มาฝึกลองเป็นพระดูะฮถ้าอยู่สบายไหนข้างน่างเขาก็มีบ้านพักมีหอพักให้อยู่มีห้องน้ำห้องชา แต่ข้างล่างเขาก็มีทำเย็นปฏิบัตินนงไม่เหมือนไงเขาจะให้นมโบกเจ้าเยน็นไหว้พระสดนัง่นงสมาธิข้างบนนี้ก็ให้ปฏิบัติตามลำพังให้ยุ่งเกี่ยวกันอ๋อเป็นแค่สถานที่สถานที่ให้มานั่งสมาธิเดินจงกรมแค่มีสองแบบต้องลองฝึกอยู่บ้านนี่ก่อนอแต่อยู่บ้านมันไม่ค่อยได้ผลเพราะมันเดียเ๋ยวม <า S 1> ัจะ ด, ดูทีวีอย่างเงี้ยมัน ถ้าผมสังเกตถ้าวันไหนอ่านเนี่ยนะฮะสักสองสาวันไม่ดูอะไรเลยสงบแต่พอเริ่มไปเริ่มอย่ากเริ่มไปอย่างเงี้ยไปเลยมันมันเป็นอย่างเงี้ยมันแค่แค่มันกลับไปกลับมาแต่ก็ยังดีกว่าไม่กลับเลยแต่ตั้นแต่ผมมาฟังเทนเนี่ยอาจารย์นั่งได้นานขึ้นนะมีควาสุขว่าสติดีขึ้นกดสติถูกกดพุทโธพุทโดึงจิตให้อยู่ในปัจจุบันเอี่ยคิดมากลดความคิดปรุงแต่งลง จิตเคลื่อนไหวจิตเป็นเคลื่อนไหวด้วยความคิดต้องการให้จิตนิ่งเราต้องหยุดความคิดมันนั้นมันนั้นเกือบจะเหมือนกจะวู้งะไรกันมันด้วยกันนะมันด้วยกันไต่างกันมันด้วยกันขับรถมาขับไม่ค่อยไหวแล้วมัน่อยอายุเท่าไหร่ละอ๋อหกสิบห้าแล้ว ปอนมากันแฝดติดสามก่อนนี้ครับรถมาทําบุญที่ัดยานตอนสมัยเดี๋ยวนี้ลูกแม่ขับอาจารย์่ครับเอก็กลัวครับต่มีเพื่อนนั่งมาอแต่สมัยใหม่นี่รับรถสมัยใหม่เลยหลานขับมาหรือไม่ก็ให้คนคือขับมาได้แต่ไม่เท่ากว่าเพราะมันไกลต้องปฏิบัติตามอาจารย์เแล้วจะแข็งแรงอ๋อใช่คือเราทําอย่างอาจารย์เนี่ยค่ะ ก็มันก็ต้องทําใจนะฮะผมไม่ยังทํางานอยู่แต่นี่ว่าแต่นี้บางครั้งเนี่ยคิดว่าเอ๊ะแต่นี่บางอย่างมัาปฏิบัติธรรมใช่แต่เราทําปฏิบัติทางดีๆมันก็ดีครับบางคนมาถามยายว่าทานอะไรถึงแข็งแรงใจใจเราตอนทํามาหากินแล้วก็อยู่ที่ใจเราอะไรที่เราควรได้ไม่ได้เราต้องกิดนะคะ ไม่ได้เหําหะสบทําใจสงบทำใจอย่าวุ่นวายตายไปเอาอะไรไปไม่ได้แล้วพอวัดกัจริงๆในตอนที่อ่านหนังสือเนี่ยก็าฝังเทนมีความสุขกว่าแต่ไอ้เป็นมายุ่งๆเนี่ยปวดหัวใจเรื่องอะไรต้องมาแกะตรงตรงงเนี้ะไอ้เรื่องเนี้ยดีกว่าคือมันจะเทียบความรู้สึกเราได้ใช่มันก็ต้องค่อยๆดึงคือมอนนี้ถ้มันมีจุดวัดนะครับว่าอะไอย่างเนี้ย รู้ในวันสามสี่วันเอ๊ะทำไมสงบพราะไม่ชอบเวลามันก็อยากจะไปวุ่นวายนะมันจะไม่อยู่กับที่นะมันแค่มันจิตมันมันเดินกันไปมันแตกมันเย็นคือเราต้องพยายามทำใจค่ะอะไรๆก็ผ่านไปผ่านไปคือทําอย่างเนี้ยก็มีความสุขอย่างท่านมีลูกผู้หญิงแล้วก็ทําสมาธิแต่งงานไางคนเนี่ยเขาไม่แต่งท่าวัดเนี่ย เนีมีความสุขกันคนที่ทําการบินไทยแต่งงานแต่งไปแล้วเหรอยั้งไม่แต่งคนที่เป็นนางไม่เคยไม่แต่งแล้วใครคนกลางทั้งมีสามคนแล้วคนกลางไม่ช่เคยได้มาที่วัดเขายู่งเทพห์มาแล้วแต่งงานได้ยี่สิบปีแตมีเสียมีหลานสองคนผู้หญิงและชายเขาก็เข้าวัดกันหมดแล้วท่านมิีบทบาทตามเส้นทางน้องคนนี้ พอดีกี่น้องมมาจากเมืองนอกอะฮะเขาก็บอกว่านี้เขาอยากจะมาฝั่เพศอาจารย์กับอ่านใครด้วยเลยมาเนี่ยกันดีใจฮะอาจารย์ออกบินฉบับเช้ามากเลครับก็แต่ละช่วงมันไม่เหมือนกันฤดูมันเปลี่ยนไปตามเวลามันเปลี่ยนตามฤดูพอนหน้าหนาวมันจะสายอตะวันขึ้นสายหน้าร้อนก็จะขึ้นเร็ว อย่างช่วงนี้ก็จะออกจากวัดประมาณหกโมงสิบห้าถ้าไปเริ่มต้นเดินบินรบาดประมาณ 6. 30, 6. หกโมงครึ่งหกโมงยี่ห้าเพราะนั่งรถจากวัดไปที่บ้านอำเภอประมาณสิบนาทีบ้านอำเภอก็เริ่มต้นที่ซอยเท่าไหร่นะนาจําเพียนยี่สามใช่ไหมส้มส <30. S 1> ิบสะมสิบนาจําเทียนสามปากซอยยังมีร้านเซเกับร้านเบคซีอยู่เนี่ยถ้าขับรถออกไปกถ้าขับรถไปทาง ก็จะมาทําบุญถบาทต้องมาคาถ้าเอาไปทางสุโขทัยเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะหลวงเทพครับต้องมาค้างเป็นญาตอยู่ที่นี่มีทําทําใจเริ่มมาใสบาตที่ศาราก็ได้มาหลังจากที่กลับมาจากบินบาตก็ยังมีควใสบาตที่สาราต่อชาวบ้านคนลวัดยาเนี่ยอ๋อสาราก็กลับมาจากบินบาตก็ช่วงนี้ก็เจ็นมงเครื ก็ที่ที่สัตติพระยาท่านก็ไปก็ใส่มีอาจารย์ที่ท่านแปดิบกว่าท่านเดินไม่ไหวจแลงวันนก็ยังหลเอายาให้ท่านฉันอยู่แล้วก็ซื้อให้เครื่องนวดให้ท่านไปแต่ตอนนี้ท่านไม่ได้ไปแล้วท่านเดินไม่ไหวอาจารย์ใช่อายุเท่าแปดสิบอายุแปดสิอายุเท่ากันแปดสิบสามบาปนี้ก็หนักนะเวลาใส่ข้าวไปแล้วไรช้อนแต่เพอยาหมดท่านก็สั่ง ก็มาใส่ทุกทุกเช้าฮะที่ตรงหน้าธนาคารมานาขับรถมาจากว่ามาตรงนี้ครับไม่ไม่มีเพื่อนครับให้เวลาทําบุญตรงไหนก็เหมือนกันได้บุญเหมือนกันแต่จิตเป็นยากจะทําตรงนี้อตรงนี้มันได้คุยกันได้ทำบมากแถมด้วยตก็ตอนที่ก่อนที่ท่านมาพระสังกัลลาศท่านเป็นย่าวาดอ่ะโยมาทุกมาต้องมาเจอสังกัลลาชถึงจะกลับบ้านได้ เพรวท่านเทพอะไรให้ฟังอย่างเงี้ยเราต้องทำใจทางกระลาท่านยอดเยี่ยมท่านดีมากเลยค่ะผมไม่มีโอกาสได้ฟังสมเด็จท่านแต่หนังสือมีหนังสือท่านหนังสือท่านดีมากเวลาท่านมาที่เนี่ยข้าบโคดพานท่านจะอธิบายให้เราฟังหมดเลยค่ะแล้ววันไหนถ้าไม่เจอกับท่านแล้วกลับบ้านไม่ได้ต้องให้เจอกท่านกล่าวท่านแล้วท่านย้ายไปอยู่ที่ค่ะ อะไรน่ะเดี๋ยวต้องมีงานต้องทำก่อนเดี๋ยวพาเขาเข้าด้วยเดี๋ยวปากหน้าจะพาไดให้ลูกเดี๋ยวคนทางบ้านเขาอยากจะถามคำถามส่งข้อความเข้ามาวันนี้เข้ามาเท่าไหร่เฟซบุ๊ก วันนี้เข้ามาสามรอยเ้าสิบค่ะอ๋อแล้ว YouTube ตอนแรกตอนแรกห้าสิบนะแล้วก็สัญญาณดรอกหายไปหมดเลยตอนนี้อยู่สิบสี่คนเข้ามาทุกวันอย่างเงี้ยสามร้อยกว่าติดตามทําว่้าไม่ได้เข้าโซ卡尔ตระพักก็ได้เยข้าแต่เฟซบุ๊กก็ะมีโทรศัพ์มือถือก็รับได้เลยอ้อเลยงั้นได้โชคดให้ลูกทำให้น่าจะตายก็กช่ไหบอกไม่เอาคือเราดูอะไรแล้วมันไม่ไม่เหมือนเราดูพระ ดเรื่องนู่นเรื่องนี้มาแล้วมันอันนี้ก็ดูเดี๋ยวต้องไปไปหาขอรูปเลยได้ไหมเพื่อจะเห็นจะเจท่านแตงวันไหนนะได้ง่ายเหมือนเปิดทีวีเลยแค่ว่ากดปุ่มปั๊บเหมือนก็มาแล้วตอนนี้ยังยังสานหนังสออยู่นะสอนครับสอนเต็มทางแล้วฟูทางหรือว่าพาทางฟูทางครับฟูทางอยู่อปีเนี้เลยจะพอถึงกันยากว่ามันครูหกสิบห้าแล้วก็ น, นึกว่าอจะต่อไม่ไอยากจะมาปฏิบัติทำพลังดึงมันก็รู้มากแล้วมันก็อีกไม่เท่าไหร่ก็มีอยู่ในโลกนี้แล้วอ ม, มาฝึกจิตเียค่ะมาพัฒนาจิตใจเลยค่ะอันนี้เราเอกไปได้ปฏิบัติพัฒนาจิตใจนี้ไปได้ของอย่างเห็นได้เท่าไหร่ก็หมดเวลาตาก็หมดเอาไปไม่ได้ไ ใช่ไหมดูพระเจ้าอยู่หัวนะแล้วท่านไปท่านก็เอาไปไม่ได้อย่างไม่กล้าเป็นของคนอื่นแต่ท่านก็พัฒนาจิตใจไปเยอะมีในใธรรมในบนคือเวลานั่งสมาธิอย่างนี้มันั่งไม่ลึกไม่รอ้ทำยังไงมันต้องหาที่สงัดอย่างเงี้ยที่สงัดเงียเงี้ยแล้วก็ไม่คิดอะไรไม่มีเรื่องให้คิดแต่เวลานั่งมันก็จะหลงได้เลยแต่ต้องใจเย็นๆนะมันไม่ใช่ง่ายๆ ท่างานกัเป็นภาพอาหารกนางวันเรื่องผมเริ่มนั่งใหม่จะปวดตาปวดกีเลสมันออกนทธิ์กีเลมันจะออกนทธิ์มันจะถามคำถามมีคำถามเข้ามาจารานโทนี่ไม่มาไม่มาครับ YouTube อันที่หลุดเลยครับที่อัญาัเนี่ย ครับสัญญาณขาดเลยต่อมาครับต่อเข้าไปมาแล้วก็มีนคนดูนตอนนี้สิบห้าคนแต่ถ้าทางสัญญาณข้างนอกจะไม่ค่อยดีนี่คำถามจากคุณประกอบตามคำ ส, <อ>สอนของพระพุท ธ, ทธองค์จิตวิ ญ, ญญาณจะต้องหนีลูปหนีนามไปให้พน้นคือการไม่กลับมาเกิดตัวทุกข์อยู่ที่รูปและนามที่เราเอามายึดถือติดกับมันเพราะฉะนั้นในศาสนาพุทธ การสร้างพระพุทธรูปก็เป็นการก้าวข้ามรูปไปไม่พ้นอยู่ดีเพราะถ้าจิตใจเชื่อมั่นยึดมั่นจริงไม่จำเป็นที่จะต้องมีคอย <Okay. S 1> เปือนตาเตือนใจก็ได้ mm hmm. เปรียบเช่นเราลักพ่อรักแม่ที่เราไม่เคยลืมถึงแม้จะไม่มีรูปให้ดูฉะนั้นถ้าให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมแต่ไม่สร้างพระพุทธรูปไม่กราบว่าพระพุทธรูปเราจะไม่ได้บุญและเป็นบาปใหม่ครับ เออขั้นตอนของการพัฒนาจิตใจมันเป็นขั้นๆมันเรียนหนังสือขั้นอนุบาลขั้นประถมขั้นมัธยมเนี่ยมันการเรียนต่างกันขั้นอนุบาลมันก็ไม่เหมือนกับขั้นประถมใช่ไหมขั้นอนุบาลนี้เขาก็ต้องสอนให้รู้จักกอไก่ขอไข่อะไรไปก่อนขั้นประถมเขาก็ไปเรื่องอื่นต่อไป การมีพระพุทธรูปนี่มันเป็นขั้นอนุบาลท่านสอนให้คนมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าให้มีความเคารพในพระพุทธเจ้าอย่างผู้ที่เริ่มต้นก็ต้องหัดแสดงมีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระพุทธเจ้าก่อนเห็นพระพุทธรูปก็กล่าวว่าไม่ใช่ว่าว่าถือว่าพระพุทธรูปนี้ไม่สําคัญอันนี้ ก็เป็นการเป็นการมองข้ามความสําคัญไปด้วยอํนนานาจของกิเลส<ม>กิเลสมันชอบให้คนอื่นไหว้ตัวเองแต่มันไม่ชอบไหว้คนอื่นเข้าใจไหมจริงไหมเราอยาให้คนอื่นไหว้เราเราให้เขาเราไหว้เขาก็ให้เขาว่ายเรานี่เราจะเอาอย่างไรคนอย่างเราชอบให้เขาไหว้เรามากกว่าเราไหว้เขานี่ก็เป็นการขัดกลากิเลสอันห ย, ยาบๆก่อน ก็ให้รู้จักมีสัมมาคารวะโดยเฉพาะผู้ที่มีพระคุณอย่างพระพุทธเจ้าฝึกสอนให้มีความกตัญญูกะตะเวทีก่อนเห็นพระพุทธรูปก็กราบไหว้ำนึกในบุญคุณของพระพุทธเจ้าเาขารพในคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ า, อ, าอันนี้ขั้นต้นต้องมีต้องมีสัมมาคารวะมีความกตมัญญู ต่อผู้มีก็คุณเมื่อเรามีแล้วต่อไปเราก็เลขึ้นขั้นต่อไปก็ขั้นทําตามคาสอนท่านให้ทําทางก็ทาทางรักษาศีลก็รักษาศีลแต่ความเคารพความกตัญญูก็ไม่หายไป <c oughs> เจอก็พุทธรูกที่ไหนก็กราบเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าพอทําทานรักษาศีลได้แล้วทีนี้ไม่ต้องกราบพระแล้วก็ได้แต่ไม่ใช่อันนั้นเป็นกิเลสละ ตาตัวตนมันเข้ามาแล้วถือว่าตอนเองเก่งแล้วเรือบุญคุณของผู้มีพระคุณนะพวกอกักตระอยู่พวกที่ไม่กราบพ่อกราบแม่ไม่ไหว้พ่อไหว้แม่ไม่ไหว้พวกมีพระคุณทั้งหลายนี่ฉะนัความคิดแบบนี้คิดผิดนะคิดว่าไม่จําเป็นจะต้องมีพระพุทธรูปไม่จําเป็นจะต้องไหว้พระพุทธเจ้านีเป็นเป็นการพิคิดผิดพระพุทธรูปไม่ต้องมีก็ได้อันนี้ ถ้าเรามีความศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราไม่ต้องนีก็ได้แต่การไม่แสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าแต่ไม่จะไม่ได้เป็นตัวพระพุทธเจ้าโดยตรงมันก็ไม่สมควรในฐานะที่เราเป็นลูกศิลุกศิลฐาของพระพุทธเจ้าเราแต่แล้วก็ควรที่จะมีเห็นพระพุทธรูปก็ควรกราบไหว้อย่างครูบาอาจารย์ที่ท่านบรรลุเป็นพระหลาอไม่เห็นท่านองค์ไหนไม่กราบไหว้พระพุทธพระพุทธรูปเลย ท่านกราบอย่างสนิทใจท่านกราบอย่างอย่างนอบน้อมอย่างสวยงามเพราะว่าท่านไม่มีกิเลสไม่มีความถือเนื้อถือตัวว่าจะต้องเราเราเก่งแล้วเราไม่ต้องกราบคนอื่นแล้วอันนี้อันนี้เป็นกิเลสโดยเมื่อรู้สึกตัวความหลงฉะนันก็ขอขอแจ้งให้ทราบท่าที่ฟังมาได้รู้สึกว่าถ้าจะทรนง คิดว่าตนเองปฏิบัติทาได้แล้วไม่ต้องกราบพระแล้วไม่ต้องมีพระพุทธรูปเลนี่ให้ไม่มีข่าวเรื่อยๆมีพระอยู่รูปหนึ่งไม่ให้มีพระพุทธรูปทําทไปทํามาก็ไปเป็นตู้เสื้อเนี่ยไปเสือกเสื้อถามว่ามาคำถามจากคุณการเราเล่นหุ้นแล้วเราไปซื้อหุ้นบริษัทที่เขาให้สินเชื่อคิดดอกเบีย้ยตามกฎหมายเราบาปไหมครับ ถ้ามันมันถูกตากฎหมายมันก็ไม่น่าจะบาปอ่ะเพราะกฎหมายส่วนใหญ่ก็อยู่ในภายใต้กรอบของศีลธรรมแต่บางเรื่องมันอาจจะผิดก็ได้แต่มันมันละเอียดละออนบางทีบางอย่างมันเกี่ยวโยงกันไปเกี่ยวโยงกันมาจนกระทั่งมันไม่สามารถที่จะไปแยกแยะได้ว่ามันผิดมันถูกอย่างไรก็ขอให้เถอะว่าถ้า เป็นเรื่องปกติของสังคมคนหนึ่งก็ทางกันแล้วไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครก็ถ่าไปคํถาถามจากคุณฝ๋มลูปตั้งใจอภัยให้กับคนที่ไม่ดีกับเราตลอดแต่พอได้ยินชื่อหรือเห็นหน้ารู้สึกไม่ดีขึ้นในใจแต่ไม่ได้แสดงออกลูกจะบาดไหมคะก็ยังไม่แสดงออกก็ยังไม่มีไม่มีผลนะอันนี้นะครับอย่างง้ยไม่มีผล ต่อเมื่อเราไปว่าเขาไปพูดไปไปทำร้ายเขาอย่างนี้มันถึงจะบาปคุณรู้จักกันนะแกลอรี่ขี่จักยานด้วยกันอ๋อคุยกันเลยไม่ต้องมาฟังธรรมครับเป็นสะพานบุญนะมาต่อไปคำถามจากคุณมาสเตอร์ การที่พระสงฆ์ปัจจเวนี้จะทําให้เจ้ากรรมในเวรรับได้ไหมครับไม่เข้าใจความหมายที่พระสงฆ์ปัจเจเวกเป็นเาาขาว่างนังนงอะหมายเนี่การที่พระสงฆ์ปัจจเวนี้จะทําให้เจ้ากรรมในเวรรับได้ไหมครับไม่รู้คําว่าปัจจเวแปลว่าอะไรเนี่ยเขียนภาษาภาษาคนไม่ได้ คำถามจากคุณกอ๊อฟกรรมที่เป็นอกุศลติดในใจเคยทำผ่านมาแล้วจะปรากฏขึ้นชัดเวลาจิตสงบถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาละวางถอดถอนและต่อมาภายหลังเมื่อนึกถึงก็ไม่ขุนเคิมใจอย่างนี้ถือว่าเป็นการแก้กรรมที่เราได้ใช่ไหมครับคือแก้อกุศลที่มีตัวเรา ถ้าเรารู้ว่ามันคิดแบบนี้ไม่ดีเราเลกคิดเสียมันก็จบแล้วแหละนี่ค่ะคำถามจากคุณสมชยัยผมปฏิบัติธรรมมามากแล้วตอนนี้ผมได้รับทุกเวทนาเจ็บป่วยหาหมอไปก็ไม่ไม่พบโรคนั้นหมายถึงผมผมถูกเจ้ากรรมในเวรมาทวงใช่ไหมครับส่วนทางใจนั้นผมไม่ทุกเลยทุกทางกายอย่างเดียวครับ ก็ดีถ้าเรื่องทางกายมันก็เป็นเรื่องของร่างกายบางทีมันก็รักษาได้บางทีก็รักษาไม่ได้รักษาไม่ได้เราอย่าไปทุกข์กับมันก็ใช้ได้อยู่กับมันไปคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่เคยทําอนันตาริยกรรมมาจะมีโอกาสบรรลุธรรมไหม่คะแล้วการที่เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนา แล้วสนใจปฏิบัติแสดงว่าไม่น่าจะมีส่วนเคยทําใช่ไหมคะแอบกังวลก็อนันตระยกรรมก็ต้องไปใช้กรรมก่อนใช้หมดแล้วก็กลับมาก็สามารถที่จะมาปฏิบัติทำใหม่ได้อย่างพระเทวทัตนี่ท่านก็กระทําอนันตริยกรรมแล้วก็ท่านก็ต้องไปรับใช้กรรมในนรกพอออกมาจากนรก ต่อไปท่นานก็มาบมเพญ็ญตัดสูุ้เป็นพระปฏิจจกับพระพุทธเจ้าได้ตามที่พุทธเจ้าได้ทรงพยากรไว้ทำานไว้คำถามจากคุณลักการที่เราทำดีช่วยเหลือผู้อื่นเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตั้งอกตั้งใจทาดีผลบุญที่ฝ่ายทำดีเหล่านี้จะเป็นบุญไปถึงบิดามันดาที่ร่วมรับไปด้วยแล้วหรือไม่เจ้าคะ เพราะในตัวเราความคิดเราก็มีเลือดเนื้อของท่านอยู่ในกายและใจเจ้าค่ะอ๋อไม่ไปนอกจากเราอุทิศได้ถ้าท่านรอรับอุทิศบุญที่เราทํานี้ท่านก็รับได้ช้าเราทําบุญใส่บาตรนี้แล้วก็อุทิศบุญที่เราได้จากการใส่บาตรนี้ไปให้กับพ่อแม่ที่ตายไปแล้วได้แต่ท่านจะรับหรือไม่รับก็อยู่ฐานะของท่านถ้าท่านมีบุญเป็นเศรษฐีบุญท่านก็ไม่ต้องรับแต่ถ้าท่านเป็นขอทานท่านก็จะรอรับอยู่ คำถามจากคุณโสภิตก่อนนอนฟังธรรมจิตทวนอยู่กับพุทโธหรือว่าอยู่กับการฟังธรรมคะเวลาฟังธรรมต้องอยู่กับเสียงธรรมถ้าจะพุทโธก็ไม่ต้องเปิดฟัง <c oughs> เพราะมันจะชนกันทําอย่างเดียวเอาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าอยากจะใช้ฟังธรรมเป็นการกล่อมใจก็ฟังธรรมไปถ้าต้องการใช้พุทโธก็พุทโธไปแต่ปิดเสิยงธรรมไม่อยากไปฟังอย่าให้มันเป็นสองอย่างมาชนกัน เอาอย่างได้อย่างหนึง่งคำถามจากคุณยุคพดีทุกวันลูกนั่งฟังธรรมแล้วก็ได้ข้อคิดและทําให้เกิดอาภัยกับสิ่งที่เข้ามากระทบที่ทําให้จิตตกอย่างนี้ลูกเรียกว่าลูกเห็นธรรมมาแล้วใช่ไหมคะก็เห็นในส่วนนั้นเห็นว่าการให้อาภัยนี้เป็นประโยชน์กับจิตใจทําให้เราดับความทุกข์ใจได้ทําให้เรามีความสบายใจเกิดขึ้น แต่เรื่องอย่างอื่นว่าก็ยังไม่เห็นถ้ายังมีความโลภยังมีความรักอยู่นี้ก็ยังไม่เห็นต่อไปก็ต้องเห็นทีละเรื่องสองเรื่องไปเรื่อยๆ เ, เก็บไปทีละแต้มสองแต้มตามเหตุการณ์คําถามจากเด็กดีมีน้ําใจก่อนนอนจะอาราธนาและเดินจงกรมทุกวันครับส่วนกลางวัน ทำงานตลอดวันก็สังเกตว่าจิตจดจ่อกับสิ่งเดียวคืองานแต่ก็มีคิดแตกยอดเกี่ยวกับงานด้วยครับจะเรียกว่าเป็นสมาธิได้ไหมครับและขอความเมตตาจากพระอาจารย์แนะนําแนวทางปฏิบัติไม่ให้เสียเวลาเปล่าเป็นการฝึกสติถ้าเราจดจ่ออยู่กับงานที่เราทําเวลาไปคิดเรื่องเรื่องอื่นก็เรียกว่าเป็นเพ้อสติแต่ถ้าคิดอยู่กับเรื่องงานก็ยังถือว่ามีสติอยู่ร ถ้าเป็นเรื่องงานที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วจิตเราคิดอยู่กับเรื่องงานนี้ก็ยังถือว่าเป็นการเจริญสติอยู่แต่ถ้าเราทํางานไปแล้วเราไปคิดถึงเรื่องที่เป็นอดีตหรือเป็นอนาคตเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องงานที่กําลังเกิดขึ้นในตอนนั้นก็เป็นการเผลอสติไม่ใช่เป็นสมาธิสมาธินี้ต้องนั่งเฉยๆแล้วก็จิตรวนนิ่งสงบไม่รับรู้อะไร นะแต่ร่างกายบางทีก็ไม่รับรู้หายไปจากความรับรู้ของใจถึงจะเรียกว่าเป็นสมาธิคําถามจากคุณในโกตอนสวดนมลนตอนกลางคืนไม่มีสมาธิเลยค่ะต้องทําอย่างไรคระต้องฝึกสติในกนตอนยั้งวันเวลาเราทํางานทําอะไรอยู่อย่าปล่อยให้ใจคิดเพ้อเจอ้อเพ้อฝันให้อยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่ไม่ให้อยู่กับพุทโธพุทโธไป าาเวลนนั่งสมธิตอนนคืนมันก็จะส ง, งคำถามจากคุณจัมโบสมถะกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานต่างกันอย่างไรครับและเราต้องฝึกแบบไหนถ้าหมายนิพพานครับก็ต้องฝึกทั้งสองอย่างกรรมฐานก็คืออารมณ์กล่อมใจอารมณ์บางอารม ณ, รมณ์นี่จะทําให้เกิดสมถะคือความสงบเช่นอานาปนาสติลมหายใจเข้าออกนี่หรือพุโทโธนี่ เป็นอารมณ์ของสัมมาทัตทาใจให้สงบส่วนอารมณ์ของของวิปัสสนากรรมฐานก็คื อ, อสิ่งที่เกี่ยวกับตายลับเช่นความตายถ้าเราจะเริมมศมอนนสติเราจะได้เราจะได้วิปัสสนาควบคู่ไปกับสัมมาัตพิจารณาความตายนิจิตก็จะสงบแล้วจิตก็จะเกิดปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของร่างกาย แล้วก็จะสามารถปล่อยวางร่างกายได้นแต่ผู้ที่ปฏิบัติจะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้นี่ต้องผ่านสถามถะกรรมฐานก่อนใจต้องสงบก่อนถ้าใจไม่สงบไปคิดถึงความตายแล้วใจจะหดโห่ใจจะกลัวได้จะทุกข์ขึ้นมาแทนที่จะสงบกับทุกข์ขึ้นมาเห็นถ้ายังไม่พร้อมที่จะพิจารณาทางวิปัสสนากรรมฐาน ก็ต้องมาทำสมาถิก ร, รมฐานก่อนมาพุทโธก่อนมาดูลมหายใจเข้าออกก่อนพอใจสงบรวมเป็นอัปปนาแล้วหลังจากที่ออกมาจะมีกำลังที่จะพิจารณาความตายได้พิจารณาตายรักได้คำ ถ, ถามจากคุณกล้องถ้าเราฝันร้ายบ่อยๆนี่หมายความว่าจิตเรามักจะมีอกุศลมีโอกาสได้ทุติยภูมิเมื่อเราสิ้นชีวิต ใช่ไหมครับใช่ทําบาปแล้วเวลานอนหลับมันก็จะฝันร้ายทําบุญแล้วนอนหลับก็จะฝันดีเพราะการกระทำของเรามันถูกเก็บไว้ไงเหมือนกล้องถ่ายรูปเนี้ยพอตอนนอนหลับมันก็มาฉายเราดูใหม่ถ้าเราไปทําใครเข้าๆมันก็มันก็ฉายในมุมกลับว่าเขาจะมาทําเราวุ่นวายทุกไปกับการกระทําบาปของเรา ถ้าเราทำบุญมันก็จะฉายมุมกลับเราไปช่วยเหลือใครก็จะมีคนมาช่วยเหลือเราเราไปให้ความสุขกับใครก็จะมีคนมาให้ความสุขกับเราคำถามจากคุณลุงที่ว่าถ้าเราสวดมนต์เสร็จแล้วแผ่เมตตาให้ตัวเองเทวดาเจ้ากรรมนายเวรและสัพพสัตพวกเขาจะได้รับไหมคะไม่ได้หรอกการแผ่เมตตาต้องแผ่ต่อหน้าบุคคลที่เรากําลัง พบปะกันเชนเจอหน้ากันก็ถามสาราทุกสุขดีบสบายดีแล้วอย่างนี้เราแผ่เมตตาแล้วไม่ใช่แยกเขี่ยวใสกันเจอกันก็ใส่ด่ากันเลยแา่เมตตาก็ต้องยิ้มย้ำแจ่มใส่ถามว่าเป็นยังไงสบายดีหรือเปล่าหรือท่าจะดีกว่านั้นก็มีขนมอยู่ในมือก็แบ่งให้เขาบ้างมีอะไรก็ให้เขาไป อย่างเนี่ยปีใหม่เนี่ที่เราส่งสอคอสอนี่เราเลือกแผนเมตตาสอคอสอนแปลว่าอะไรส่ส<อ>งความสุขส่อความสุขก็คือความเมตตาเนะอางนี่ต้องมีคนรับไม่ใช่วันมานั่งอยู่คนเดียวส่วนมนต์เสร็จนั่งสมาธิเสร็จแล้วแผนไม่มีใครรับแล้วตัวเองไม่รู้จะแผ่ให้ตัวเองทําไหมตัวเองเกลียดตัวเองเหรอเราใครเกลียดตัวเราหรือเปล่าเรามีแต่รักตัวเราอยู่แล้วใช่ไหมเราทําไมต้องไปแผ่เมตตาให้กับตัวเราด้วย มีของยู u ูบโทนี่ทวนี่ทาวนี่ <laughs> เขามาจากลาสเวกัสนี่ <c oughs> ตอนนี้ประมาณตีสองตีสามรอบช้ากว่าเราสามชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงตอนนี้เราสามโมงครึ่งเขาก็เที่ยงคืนครึ่งลาสเวกัสมันมันนอนเด็กไง เหมือนพัทยาใต้เนียาจะนอนก็สว่างวันนี้เรามีอาชีพกลางคืนเราคงจะทำงานในโรงแรมใช่คำถามจากคุณกรลวีทำไมเวลาหนูท่องพุทโธพุทโธพอใจสงบเป็นสมาธิแล้วมันคล้ายคครึ่งหลับครึ่งตื่นเกิดนิมิตต่างๆเกือบทุกครั้งเหมือนจิตไม่ถึงฐาน พอออกสมาธิทำให้เหนื่อยมากไม่มีความสุขเลยค่ะมบสติไปก่อนสติอ่อนพอจิตจะสงบสติมันก็อ่อนมันก็เลยหลับไปต้องฝึกสติให้มากขึ้นเรียกสมาธิแบบนี้ว่าอุปจาระสมาธิใช่ไหมครไม่ใช่นะไม่ใช่อุปจารสมาธินี่มันมาหลังจากอัปปนาสมาธิจิตต้องสงบรวมแล้วมันแล้วมันถอนออกมารู้นิมิตต่าง ถึงจะเรียกว่าอุปจารสมาธิคำถามจากคุณออนการนั่งสมาธิได้แป๊บเดียวก็หลับทำอย่างไรไม่ให้หลับครับก็ไปนั่งในป่าชาดูเลยคำ <laughs> <laughs> ถามจากคุณธานสาิทธิ์จิตคนเรามีทูตไหมครับ แล้วมีอย่างอื่นมาแทรกจิตเราได้ไหมครับจิตเราคิดถ้าจะพูดต้องใช้ร่างกาพูดแต่ตความคิดนี้มันก็เป็นคำพูดไปในตัวแล้วอะพูดพอสัพูดพูดพูดหรือ พ, พูดผีปีศาจนี่ยหละทำไมรู้เหมือนกันคำถามจากคุณสุภกรโยมปฏิบัติไปแล้วทำไมจิต ไม่ยอมที่จะคิดจิตจะนิ่งแต่อะไรมนาะกัดทบ ก, ก็น้อมเป็นธรรมค่ะปฏิบัติหลายปีแล้วช่วงหลังจิตไม่ยอมพิจารณาโยมต้องทำอย่างไรคะคือการปฏิบัติมันมีสองขั้นไงเวลาที่เรานั่งสมาธิเราไม่ต้องการคิดไม่ต้องการพิจารณาเราต้องการให้มันนิ่งเนเวลานั่งสมาธิอย่าไปคิดอย่าไปพิจารณาให้มันนิ่ง เวลาจะคิดนี่ตอนออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยกําลังคิดหาเงินเนี่ยก็บอกให้มันเลิกคิดหาเงินเสียกาหาเงินมันเป็นทุกข์มาหาธรรมดีกว่าให้คิดตอนที่มันเริ่มคิดไปทางกิเลสก็เดึงมันมาคิดทางธรรมคิดจะไปหาแฟนก็บอกอยู่คนเดียวดีกว่า อ, อยู่กับแฟนแล้วเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวแฟนทิ้งเราเราก็เสียใจอ อยู่คนเดีวแล้วจะไม่มีความทุกข์กับแฟนเนี่ยเวลาจะคิดมันมีแต่ไม่คิดกันเวลาคิดนี่คิดไปทางกิเลสมดแล้วก็มาบ่นว่าทำไมไม่ไปวิปัสสนา <c oughs> ก็มันปไปทางกิเลสไปทางกิเลสมันไม่เดินมาทางวิปัสสนามันจะมาดึงตอนที่นั่งสมาธิไม่ได้เข้าใจไหมพอ n ั่งสมาธิมันไม่ให้คิดพอมานั่งสมาธิจะมาวิปัสสนาเลย <c oughs> คนละเรื่องกันเลยเข้าใจไหนะ การนั่งสมาธินี้ต้องการหยุดความคิดให้จิตมีความสุขจากความสงบแล้วพอออกจากความสงบแล้วที่จะไปคิดทางกิเลกก็ดึงมันมาคิดทางธรรมคิดไปหาเงินก็ว่าอย่าไปหาเลยได้มาตายไปก็เอาไปไม่ได้ซื้อของมาแล้วก็หมดไปความสุขก็ได้มาเดียเด๋ยวเดีๆเอาเวลามานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมดีกว่าให้คิดตอนนั้นตอนที่กําลังจะไปหาเงินหาแฟนหาอะไรต่างๆ ตอนที่จะคิดไปเที่ยวเนี่ยปีใหม่จะไปคิดไปเที่ยวที่ไหนก็วอกอย่าไปเลยไปอยู่วัดดีกว่าไปภาวนาดีกว่าไปปฏิบัติธรรมดีกว่าเวลาคิดมีไม่คิดเนี่ยเวลาคิดเวลาไม่ให้คิดก็จะมาคิดเนี่ยเวลานั่งสมาธิก็จะมาคิดเวลานั่งสมาธิไม่ให้คิดให้มันนิ่งให้มันนิ่งนานยิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งมีความสุ k นามขึ้นไปเท่านั้นแต่พอมันมันหยุด มันมันออกจากความสงบแล้วมันจะคิดแตทางกิเลสก็ดึงมาคิดทางปัญญาแทนคิดทางธรรมต่างแทนวางมาคำถามจากคุณลุงทิวาเวลามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับเราหรือคนใกล้ตัวจะมีสัญญาณบอกล่วงหน้าให้เราทราบว่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเร็วๆนี้แต่เรา จะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรทําให้รู้สึกกังวลทุกครั้งควรจะทําอย่างไรดีคะก็ทําใจว่าอะไรจะเกิดก็เกิดไปแล้วกันเราพยายามรับเหตุการณ์ที่ไม่ดีได้ด้วยการทําใจให้มีสติให้มีความสงบให้เฉยๆไว้มีอะไรเกิดขึ้นก็ให้สักแต่ว่ารู้ไปแล้วมันก็จะผ่านไปคําถามจากคุณมาสเตอร์ เรามีพระพุทธรูปองเดียวก็อพอเพราะสักกี่องก็คือพระพุทธรูปความคิดนี้ถูกไหมครับก็แล้วแต่บางคนชอบหลายรูปบางคนชอบรูปเดียวก็ไม่ไม่เสียหายบางคนห้ยพระแต่งคอโด ย, ยบอกเขาให้เขาขห้อยรูปเดียวมันก็มันก็เรื่องของเขาอ่ะคำถามจากคุณละมุลเมื่อเช้ามีพระบินทบาทท่านบอกว่ามาทุดงไม่มีคนใส่บาทเลยเพราะสายแล้ว ท่านก็เลยขอบินธบาตเป็นปัดใ จ, จแทนแบบนี้สามารถทําได้ไหมคะไม่ได้ละเป็นวิธีท้าเงินถ้ารู้เวลาบินธบาตเวลาบินธบาตกินมองก็รู้ชอมาหาตอนที่เขาไม่ใส่บาทแล้วื่าของเงินอย่าให้เงินการบินธบาตนี้พระไม่ไม่ให้รับเงินรับทองอยู่แล้วถ้าท่านอยากจะได้อาหารก็ไปซื้ออาหารแทนนั้นใส่บาทไปถ้ามาของเงินนี่แสดงว่าเป็นอุบาย เป็นวิธีหาเงินคำถามจากคุณป๋อม <c oughs> ถ้าเราทำผิดแล้วสํานึกผิดไม่ทำอีกแต่ยังจำความผิดนั้นได้คือบาปใช่ไหมคะแล้วการตั้งใจทําดีจะช่วยให้รู้สึกว่าความผิดที่ได้ทำนั้นน้อยลงได้ไหมคะ อ, อ๋อไม่หรอการจำความผิดที่เราทำนี้ไม่เป็นบาปหรอดีซอีกเราจะได้ไม่ไม่ทผิดซ้ำซาก เป็นบุญเป็นกุศลการจำความผิดของเราได้นี่เป็นบุญกลัวจะลืมความผิดจะมากกว่าแล้วก็มากลับมาทําซ้ำซ้ำซากเน้นจำความผิดได้ไม่เป็นบาปนะเป็นบุญหมดได้ยังคำถา ม, มเอาเลยเอาให้หมดเอาแค่สนะคำถามจากคุณเพ้า เมื่อรู้ว่าเป็นกิเลสและต้องการที่จะละแต่มันไม่แต่มันละไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะไม่มีกำลังอุเบกขาต้องนั่งสมาธิฝึกสติให้มากๆทำใจให้สงบพอใจนิ่งก็จะมีกำลังอยู่กิเลสได้คำถามจากคุณฝันหนูเป็นลมพิษคันหนักมาก พดผู่กระวนกระวายใจพยายามคุมสติแต่แล้วก็มีกระทบกับงานบ้างหรูอควรทําไงดีคะก็พยายามตุกสติทําใจให้สงบพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดอะไรคําถามจากคุณอาริยาก่อนทําสมาธิจําเป็นไหมคะว่าต้องสวดมนต์ก่อนบางคนทําสมาธิทันทีไม่ได้ต้องการสวดก่อนก็สวดมนต์ไปก่อนเพราะบางทีจิตฟุ้งซ่านคิดมาก จะนั่งสมาธิมันก็ไม่สงบก็เลยต้องส่วดมนต์ไปก่อนเพื่อคลายความฟุ้งซ่านก่อนพอจิตหายฟุ้งซ่านแล้วก็ค่อยนั่งสมาธิต่อถ้าไม่ฟุ้งซ่านนั่งสมาธิได้เลยก็ไม่ต้องส่วนนั่งไปเลยคําถามจากคุณพัทธารพงศ์การทําสมาธิผมนั่งนั่งถ้าจิตเรานั่งสักพักนึงอยู่แต่ลมหายใจ มันเป็นอย่างนั้นเราจะพิจารณาอะไรอย่างไรต่อครับไม่ให้พิจารณาให้ดูลมเฉยๆมันเป็นยังไงก็รู้ตามความเป็นจริงของมันมันละเอียดก็รู้ว่าละเอียดมันหายไปก็รู้ว่ามันหายไปไม่ต้องพิจารณาอะไรไม่ต้องการให้คิดให้ดูเฉยๆดูอย่างเดียวดูตามความเป็นจริงแล้วก็นั่งดูไปเรื่อยๆแล้วจิตมันก็จะรวมให้เราเองอ ม, มอาแล้วเนะี่ย ขอให้ท่านโจงนำมาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทรรยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิร์นจ้าจะยังไงสงบดีไหมสงบดีมากเลยเจ้าค่ะเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลยนะต้องปฏิบัติบ่อยๆนะกลับไปก็ทำต่อที่บ้านทําเท่าที่ทำได้นะอย่ายุดนะ หยุดถ้ามันจะกลับมาแล้วมันจะยากพยายามรักษาไหมเจ้าค่ะ